ขอโมทนากับเราทั้งหลายทีต่ตั้งใจในการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นทรงตัดสู้อนุทตะสัมมาสัมป وري ยานันยอดเยี่ยมทรงแทงตลอดอริยสัจธรรมทั้ง4คือทุกสมูทายนิโรธมรรคเมื่อพระองค์ได้ทรงตัดสู้อนุทตรสัมมาสัมป وري ยานแล้วพระองค์ก็ทรงหมุนกองล้อแห่งธรรมก็คือธรรมจักหรือจักกะในกองล้อแห่งธรรม กองร้อแห่งธรรมะอันประดับไปด้วยสติปัฏฐานสมบัระฐานอิทิบาทอินทรีพระพุทชงอรียมักจะย่อลงเป็นวิสุทธิ7ย่อลงมาเป็นศีลสมาธิปัญญาหรือจะจัดลงสู่ในมรรคแก็ในกลุ่มธรรมะหมวดนี้แหละฉะนั้นในหลักการเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทรงตรัสบอกในเรื่องของอริยศสตร์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะตรัสถ้าพูดถึงเรื่องของเทศนาเนี่ย พุทเจ้าก็จะแสดงในเรื่องของทุกใช่ไหมตัวปัญหาตัวทุกนี่แหละตัวคําว่าชีวิตคืออะไรก็คือชีวิตคือขันห้าชีวิตคือตาหูจมูกลิ้นกายใจชีวิตคือกองแห่งทุกนี่แหละที่ประดับไปด้วยประกอบไปด้วยรู ป, ปรขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณขันประดาขันห้าทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่มันเป็นที่ตั้งในความยึดมั่นคือรูปนะ ขันนั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปขันนั้นเป็นที่ตั้งความยึดมั่นคือเวทนาขันนั้นเป็นที่ตั้งความยึดมั่นคือสัญญาขันนั้นเป็นที่ตั้งความยึดมั่นคือสังขารและขันนั้นเป็นที่ตั้งความยึดมั่นคือวิญญาณนี่คือกระแสของชีวิตตรงนี้เขาเรียกทุกเหตุผลเนี่ยที่มันเป็นทุกเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับสืบต่อบีบคั้นเบียดเบียนขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นไปตามปรารถนาไม่เป็นไปตามที่เราจะบังคับบัญชาได้ ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนั้นนั้นนั่นคือกระบวนการของทุกมันกําลังเกิดขึ้นสืบต่อเกิดดับอันคือตัวปัญหาเลยเนื้อทไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงชี้ไปที่กระบวนการของทุกขของตัวปัญหาเกาะเพื่อต้องการให้สัตว์โลกได้เห็นความจริงของชีวิตว่าเนี่ยมันเต็มไปด้วยปัญหายัางไงการมีกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเต็มเป็นไปด้วยวัฏทุก์ ไม่ต้องถึงพูดถึงในเรื่องของชาติทุทกข์คือความเกิดชราทุกคือความแก่พยาทีทุกข์คือความเจ็บไข้มรณะทุกคือความตายไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นไอ้ตรงนั้นเป็นสิ่งแท้เดิมๆที่เราต้องเจอต้องพบอยู่แล้วแต่มันตามมาด้วยความโศก ค, ความล่ําไรลําพันธ์นี่แหละความไม่สบายกายความไม่สบายใจและก็ความขับแค้นใจเนี่ยพอพูดถึงในเรื่องของทุก์เนี่ยโอ้โหมามากเลยเกินปัญหาเยอะแยะ เพรนปัญหายะแย่หมดในเรื่องของของวัตถทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นบรรดาความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นถ้ามองถึงในบ่วงของว่าทั้งหมดเหล่านี้เมื่อมีขันห้าเมื่อมีรู ป, ประขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็เลยกลายเป็นต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ตามมาดังที่ได้กล่าวนี่แหละก็มีความเกิดความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ แล้วก็โสกาปริเทวทุกขโทมานัสสะอุปายาสะนี่ก็เป็นทุกยังไงนะท่านจัดเป็นหมวดของทุกเยอะไปหมดเลยนะตั้งแต่ในบรรดาชุดที่หนึ่งชุดที่สองสามเป็นต้นไปตามลาดับเลยทีนี้พอพูดในลักษณะอย่างนี้ท่านพูดถึงตัวชาติทุก์ที่บอกว่าบอกถึงอริยสัตว์นี่นะบอกว่าพิสูจทั้งหลายก็ น, นี้แหลคือทุกข์ขาอริยสัตว์ ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็ <vid> เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งนันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่อคืออุปาทานขันทั้ง5้าเป็นตัวทุกข์ก็คือขันนั้นเป็นที่ตั้งความยึดมั่นคือรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นแล้วท่านพูดถึงในเรื่องของชาติคือความเกิดเป็นทุกข์เพราะอะไร เพราะเป็นที่ตั้งเห็นความทุกข์ต่างๆอนเนกประการท่านแบ่งซอยเป็นไปตามลำดับประการแรกคือคับโผกะการติมูรากะทุกก็คื อ, คอทุกข์ที่เกิดจากการอยู่ในคันนี่พูดขนาดนั้นเลยนี่ต้องการให้เราได้ใช้โยนิโสมนัิการเนี่ยไปอย่างไปพิจารณาดูว่าอยู่ในคันนั้นอยู่ในที่อันแสนจะคับแคบแสนจะอึดอัดมืดตืแออัดด้วยสิ่งที่น่ารังเกียจ ในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนาะนาประการน่ยสัตว์โลกนั้นก็นอนขุดคู่อยู่นะถ้าสัตว์ที่มีบุญต่ำๆอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยเหมือนนอนที่อยู่ในของที่เน่าหรือเหมือนนอนที่อยู่ในน้ําคร่มอย่างนั้นแหละนั่นแหละในขณะที่กำลังเกิดขึ้นมาเนี่ยกระแสของตาหูจมกูกเล่นกายใจน ที่เริ่มตั้งแต่ ก, กระละน้ำใสๆแล้วก็เริ่มคุณเป็นสีแดงแล้วก็มีสันธานเหมือนไข่ไก่แล้วก็มาแตกเป็นปุ่มเป็นสาขาเป็นปัญจสาขาศีสันหนึ่งขา2แขน2เนี่ยแล้วต่อมาก็มีอวัยวะต่างๆโผล่ขึ้นมาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นเหล่านี้เป็นไปตามดับจนถึงตับปอดไตทั้งหลายเหล่านี้ค่อยๆจเจริญขึ้นมาเนี่ยถามว่ามันแสนที่จะอิดอัดคับแคบ ก็คืออยู่ในแสนที่จะคับแคบ อ, อึดอัดมืดตื้ดังที่ได้กล่าวนั่นแหละแออาจ ด, ด้วยสิ่งที่น่าเกลียดเมืันนอนอยู่ในของที่เน่าและนำำ้ําคร่ำนี่เขาเรียกว่าคับโพกะกันติกะมูรากทุกขประการที่2คัพระปริหารณมูรากทุกทุกที่เกิดจากการบริหารขันมารดาบิดาต้องยืนต้องเดินต้องนั่ ง, ต, ง, งต้องนอนต้องขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวลุกนั่งเดินบ้างวิ่งบ้างแรงบ้างเบาบ้าง กินดื่มของร้อนของเย็นของเปรี้ยวของเผ็ดเป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลกระทบต่อเด็กที่อยู่ในครรนหมดเลยนั่นก็คือทุกที่เกิดจากการเกิดใช่ไหมสัตว์โลกทั้งหลายก็ต้องมาเจอเครื่องพันณนาการทั้งหลายเหล่านี้มารดาจะนอนจะพลิกจะเคลื่อนไหวทั้งหลายเหล่านี้เหมือนเราอยู่ในไหยอยู่ในตุ่มแล้วก็ปิดปากหายปากเตมิมแล้วกลิ้งดูมันก็จะเป็นในลักษณะนั้นเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ําเดี๋ยวนอนหงายเดี๋ยวนอนคว่ำเป็นต้นเหล่านี้ ประการต่อมาคือคัพระวิปัตสิมุรกะ ท, ทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากการวิบัติของคันท้องนอกมดลูกเด็กตายในครันต้องพาตัดออกมาโอ้โหต้องพิกลพิการอะไรอีกเยอะแยะอันนี้ก็เกิดจากการวิบัติของครันนั้นนั้นมากมายไหมมากมายเหลือเกินอันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเกิดที่ท่านต้องการให้ใช้กําลังของโยนิโสมนตริกาในการไปไข้ควรไปพิจารณาวิชาญนะ มูรากะทุกทุกที่เกิดจากการคลอดการคลอดจะต้องถูกทั้งกระทุง้งกระแทกพลิกหันจากการที่จะต้องเอากลับหัวกับหางทั้งกลับหลังเนี่ยนะทั้งถูกกดถูกบีบถูกอัดกว่าจะผ่านช่องแคบอันแสนที่จะแคบออกมาได้เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสท่านอุปมาเหมือนกับช้างที่เบียดตัวเองออกจากช่องดานที่เล็ก ทีนี้ไอ้ช่องดานที่เล็กๆเนี่ยถ้าเป็นช้างน่ผิวเขาก็หยาบแต่เด็กเนี่ยผิวละเอียดมากที่ออกมาจากช่องที่แคบแคบอย่างนั้นน่แสนจะเจ็บปวดทรมานเนี่ยนะประการต่อมาคือพระหินิกะพระหินิกาคามั น, นะมูรกะกทุกทุกที่เกิดจากการออกมาภายนอกโอ้โหเด็กแรกเกิดเนี่ยร่างกายก็ดีผิวก็ดีละเอียดเหมือนดังแผลใหม่เวลามาสัมผัสความเย็นบ้างความร้อนบ้าง ทั้งหลายที่อยู่ในโลกใบนี้และเจ็บปวดต้องอยังแสนสาหัสต้องสัมผัสต้องเช็ดต้องล้างแสนจะเจ็บปวดทรมานมากเหมือนเอามีตโกนไปกรีดผิวมีความเจ็บปวดขนาดนั้นนว่าันนั่นก็คือความทุกข์ที่มาจากการเกิดนี่แหละนั้นทุกข์ที่เกิดจากมาข้างนอกประการต่อมาอุปติหรือคำว่าอัตตุปะกามมระกทุกทุกข์ที่เกิดจากทาตัวเอง โอยเยอะมากเกิดมาแล้วต้องมาเบียดเบียนตัวเองในการที่ทําสิ่งที่ไม่ดีมาเครียดมากุ้มมาทุกมากังวลบางคนก็ประทุดสลายตัวเองได้อาการเอาของมึนเมาใส่บ้างเบียดเบียนตัวเองสารพัดจะเบียดเบียนเอาของที่ไม่ดีใส่ในร่างกายเนี่ยนั่นทั้งด้านเครื่องปกายเยอะบางคนก็ถึงขนาดทุบตัวเองฆ่าตัวเองบางคนก็บําเพ็ญตะบะผิดผิด พ, ด พ, ดพดลาดพลาอะไรนั่นทั้งด้านร่างกายทั้งด้านจิตใจก็ไม่น้อย รับเรื่องราวต่างๆมาใดๆก็แล้วแต่มาก็มาคิดมากัดมากรุ่มมาเบียดเบียนมาบีบขั้นมากระทบกระทั่งตัวเองมันมาจากการเกิดใช่ไหมถ้าไม่มีการเกิดมันจะมีไหมล่ะการที่เราจะต้องมาวิตกกังวลคิดแล้วคิดอีกวกวนสับสนหาทางออกของชีวิตไม่เจอไม่รู้จะไปทางไหนดําเนินไปทางซ้ายทางขวาดีเนี่ยบางคนก็ดําเนินไปสู่การมาสุกาลิการนิรรยม ทำตัเองติดแน่ในการมาสุขบางคนก็ดําเนินไปสู่อัตถกิรมาฐานุโยกทําตนให้เองเครียดบ้างกลุ่มบ้างวิตกกังวลบ้างบางคนก็มีความเห็นว่าเที่ยงบางคนก็เห็นว่าขาดศูนย์อย่างนี้เป็นต้นบางคนก็เห็นว่าไม่มีเหตุปัจจัยบางคนก็เห็นว่าการกระทําทางกายทางวาจาทั้งหลายไม่เรียกว่าการกระทําบางคนก็เห็นว่าการกระทํามันไม่มีผลอย่างนี้เป็นต้นผลบาปพรมบุญมันไม่มีอย่างเนี้ยอันนี้ทําตัวเองต่างๆที่ตามมาอย่างนี้ก็มันมาจากการที่ บางครั้งก็ทรมานตนโกรธเคืองเขาแล้วก็ไม่กินข้าวทำร้ายตัวเอง Peter, อเป็นต้นเหล่านี้มากมายหลายาอันนี้ใช่ใช่ชาติที่ทุกข์ใช่ไหมที่ต้องมาได้ยินเสียงแววแววบ้างต้องมาระดมโอ้โหกระตุ้นคิดตัวเองจนหลับไม่ลงนอนไม่ได้เนี่ยประการต่อมาคือป ร, รุปปักกะป ร, ะรุปกป ร, รุปปักกะมา ก, ก็ได้มุราคทุกทุกที่เกิดจากการที่คนอื่นทา ถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำร้ายถูกด่าถูกทุบถูกตีเห็นไหมพอเกิดมาแล้วก็ต้องถูกตรงนี้แหละหลายๆคนหลายๆกระแสชีวิตก็มาถูกเนี่ยก็ต่อสู้กันไปทั้งหมดเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกขอคองจชชเนี่ยไล่มาตามลำดับเนี่ยล้วนแต่มาจากชาติทุกข์ทั้งนั้นเลยถ้าไม่มีชาติทุกข์สิ่งเหล่านี้จะมีไหมอภิการต่อมาคือชราทุกคือความแก่ ชาราทุกความแก่เน้นหมายถึงความที่อวัยวะทั้งหลายย่อย่อนอ่อนแออินทรีย์คือตาอินทรีย์คือหูคือจมูกคือลิ้นคือกายเนี่ยใจเป็นต้นมันทําหน้าที่บกพร่องผิดเพี้ยนมันยังทําหน้าที่อยู่นะจนผิดเพี้ยนแล้วอ้าตอนนี้ตาผิดเพี้ยนไหมหูจมูกลิน้นกายผิดเพี้ยนแล้วใจล่ะโอยวิปริตผิดเพี้ยนใหญ่เลยตนนี้นี่ชาราไหมเนี่ยเนี่ยทาหน้าที่วิตปริทผิดเพี้ยนแล้วหมดความคล่องแคล่วเสื่อม กำลังวังชาก็เสื่อมถอยหมดความคล่องแคล่วว่องไวผิวพรรณไม่งดงามไม่ผ่องใสหนังก็เหี่ยวยน่นความจำก็เลอะเลือนพลังเผลอดูแลสภาพจิตใจตัวเอ ง, เองไม่ได้เสื่อมอำนาจไม่เป็นเสรีภาพทั้งภายนอกและภายในนี่มันเกิดแตกการทุกข์กายและทุกข์ใจนี่แหละมันก็มาบีบคั้นนี่ชราก็มาปรากฏสารพัดเลยเนี่ยบางคนก็ไปนึกว่าเออตอนนี้เรายังไม่ชลาที่ไหนได้ เห็นไหมเนี่ยเริ่มเพี้ยนกันหมดแล้วเห็นไหมเริ่มทําหน้าที่วิปปิลผิดเพี้ยนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นกระดุกเนี่ยทำหน้าที่ผิดเพี้ยนมรณะยามจะสิ้นชีพเคยทําชั่วไว้เห็นนิมิตบาปกรรมเป็นคําว่ามรณะก็คืออะไรเนี่ยคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นเหล่านี้มันหยุดหยุดทําหน้าที่ก็คือตายในเลยทีนี้บอลไปทําอะไรไว้ในนี้ที่เราจําอะไรไว้ให้สังเกตดูนะ ไปทำสิ่งที่ไม่ดีไว้นิมิตก็ตามหลอนไหมตามหลอนนี่แต่มีชีวิตอยู่แล้วเสียงเนี่ยเป็นนิมิตนะ้นเนี่ยเสียงบ้างสิ่งที่น่ากลัวบ้างนี่บ่งบอกเลยนะบางทีไอ้สิ่งที่ดีๆไม่ค่อยมาโผล่สังเกตไหมมันมากับความคิดมาแต่เรื่องที่ไม่ดีมาแต่เรื่องที่น่ากลัวมาแต่เรื่องที่เจ็บปวดมาแต่เรื่องที่ร้ายๆความกาหนัดอย่างเงี้ยโอ้โหมาดรจังไงความโกรธความเครียดอย่างเงี้ยมาแล้วเกินเนี่ย ความหดหูท้อถอยความเซ็งเบื่อเนี่ยมาเป็นประจําพุ่งซ่านลาคาญก็มาเป็นประจําลังเลสงสัยก็มาเป็นประจําแล้วถามว่าสภาพชีวิตจิตใ จ, จของเราเป็นแบบนี้แล้วควรจะไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยบอกงั้นเถอะ น, นี้มรณะมาแล้วเราควรจะไปไหนมันฟุกนึงเนี่ยที่มันได้เกิดเป็นมนุษย์กับเขาสักชาตินึงเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมฝึกหัดขั ด, ขดกลาวใดๆเลยไม่ยอมขวนขวายใดๆเลยเดี๋ยวมี อกุศลนิมิตหรือทุกขตินิมิตมาตามหลอกตามหลอนอยู่นี่แหละนอนก็สะดุ้งหวาดเสียวกลัววิตกกังวลเอาอะไรสิแต่เนี้ยชีวิตเจบทํำยังไงเนี้ยนะเข้านะเข้าเราก็ต้องรับนิมิตที่ไม่ดีเป็นทุกขตินิมิตก็ลงอาบายทุกขติวินิบาตนะกเป็นต้นอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนี้ถ้ามีคนหรือมีของรักก็ต้องพลัดพรากส่วนประกอบในร่างกายก็พากันหยุดทําหน้าที่ ทุกทางกายก็มีมากทําอะไรแก้ไขอะไรไม่ได้มันก็แก้ไม่ได้มันหยุดตามหน้าที่หมดแล้วเรียบร้อยเลยตัวเนี้ยนี่ก็เรียกว่ามรณะนะทุกทุกคือความตายมันน่ากลัวตรงที่ว่าตายแล้วมันจะได้นิมิตไม่ดีนี่แหละแล้วตราบใดเรายังไม่สามารถประหารกิเลสมีราคะเป็นต้นเหล่านี้ยตรงนี้ท่านให้พี่วิจัยแบบนี้ให้คิดแบบนี้ให้คิดถึงความเกิดคิดถึงความแก่ให้คิดอะไรตามลําดับเนี้ยท่านลําดับแห่งการคิดมันจะได้เกิดความ เข็นภัยเห็นโทษของชาติภัยชราภัยมันแต่ภัยเหล่านี้แล้วก็มรณะภัยคือความตายโศกานี่ความเศร้าโศกได้แก่ความแห้งใจเช่นยาติพยัสนะนี่สูญเสียญ า, าติแล้วก็สูญเสียโภคทรั พ, พย์สูญเสียเกียรติยศชื่อเสียงไหสูญเสียอวัยวะเนี่ย สิ่งต่างตางตัวนี้สูญเสียตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นเหล่านี้การสูญเสียทรัพย์สมบัติสูญเสียญาติสูญเสียเงินทองทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ก็เกิดความโศกปริเทวาความขรัมควอลําไรลําพันธ์บ่นเพ้อก็มีการสูญเสียญาตินี่แหละเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็ทุกกายก็จะแก่ความเจ็บปวดกายเจ็บถูกบีบคั้นด้วยโรคโอสรารพัดหมดเลยเนี่ยทุกวันเนี่ยบางคนก็ ใจป่วยก่อนแล้วก็มากายป่วยบางคนกายป่วยก็เป็นใจป่วยมันลุมเร้าลุมทึงกันอยู่อย่างงี้แหละว่างั้นจะโรคไตโรคหัวใจโรคตับโรคปอดโรคความดันโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคเอสโหเยอะแยะหมดเลยแต่เนี้ยสารพัดโรคไม่ต้องพูดถึงว่าถ่ายอุจจาะปัสสาวะเป็นโรคอย่างคนโบราณก็หรอกหิวกระหายก็เป็นโรคเย็นกระร้อนก็เป็นโรคหโรคมันมีเป็นพื้นฐานบางคนเกิดมาบอกไม่มีโรคไม่มีที่ไหนแล้วก็ ตืกสเนี่ยนี่เนี่ยป่วยนัเนี่ยอาการแบบนี้อาการแบบนี้คือป่วยมันกระสับกระสายจัดนี่เขาเรียกกระสอบกระสายนะนี่ก็ อ, อาการป่วยมันแสดงให้เห็นเนี่ยขนาดนี้เรายังไม่ไม่ไม่เห็นโทษมันเนีใช่ไหมมันป่วยขนาดนี้นะถามว่าขนาดมันแสดงอาการปรากฏให้เห็นมันบอกมันแสดงตัวตนที่แท้จริงของมันให้เห็นว่านี่คือทุกข์แต่ถามว่าใครเห็นไหม ไม่เห็นเลยมันแสดงตลอดเวลาเนี่ยแหละมันกระสับกระสายตลอดเวลาในกายเนี่ยโทมณัสก็คือทุกข์ใจเจ็บปวดตุลาใจที่ทําให้ร้องไห้หวังตีอกชกหัวลงดินเชื้อดตัวเองบ้างกินยาพิษผูกคอตายไปเตอร์เหล่านี้มันทนไม่ไหวอุปายาสาก็คับแค้นใจสิ้นหวังเร่าร้อนทอดถอนใจในเมื่อความโศกเพิ่มทวีคูณมากๆๆๆมา ก, มา ก, มา ก, มากขึ้น ก, ก็กลายเป็นอุปายาตคืออุปมาเหมือนน้ํามันนี่แหละ เวลาต้มในกระทะเวลามันเดือดเดือดพานพานพานพานพานพานพุ่งพุขึ้นมาเหมือนกับไอปริเทวะอะน่ะเขาก็ทมานัดน่ะเขาก็ถึงขนาดอุปายาตมันแห้งผากใครเคยใครเคยทุกจนถึงขนาดร้องไม่ออกไหมเคยไหมแบบว่ามันทุกถึงขนาดอย่างหนักเลยถึงขนาดว่าช็อกลงไปเลยเคยเห็นไหมทุกแง่แง่สลบไปเลยแห้งไปเลยเนี่ยนะเคยเห็นคนทุกขนาดนี้แล้วที่เขาต้องสูญเสียสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น ญา ต, ต, ต, ต, ตาายายิต้องวิบัติทรัพต้องวิบัติปู่ตายายายพ่อแม่ต้องวิบัติโรคภยัยต้องเบียดเบียนทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นอปิยะสัมปโยคะก็คือประสบคนและสิ่งซึ่งไม่เป็นที่รักเช่นต้องพบต้องเกี่ยวข้องกับคนที่เราไม่ชอบหรือชิงชังเป็นต้นปิยะวิปโยคะก็คือพลัดพาค จากคนและสิ่งอันเป็นที่รักเช่นจากญาติจากของรักสูญเสียทรัพย์เป็นต้นอิชิตาราภะอาการไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาคือปรารถนาสิ่งใดแล้วมันไม่สมหวังอิชิตารภะปรารถนาจะพ้นทุกข์แล้วมันไม่พ้นแล้วก็ต้องมากลับมาผิดหวังต้องมาเกิดบ่อยๆแก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆต้องมาโศกมาร่ําไรลําพันธุ์บ่อยๆไม่สบายกายไม่สบายใจมาครับแขวนใจ บ, บ่อยๆก็เพราะอันนี้แหละ หลายคนหวังจะพ้นทุกข์แล้วมันไปไม่ถึงแล้วก็ต้องมาประสบชาติทุกข์อยู่ล่าไปเนี่ยเขาเรียกว่าอิจฉิตาลาภะปราถนาแล้วมไม่สมหวังก็ต้องมาเจ็บปวดอยู่ในสังสารวัฏต่อไปบางทีไปเจอพระเจ้าแล้วก็อยากจะพ้นทุกข์ไปไปม า, มาเราโดยเป็นคนที่ไม่ขนขวายให้ถูกต้องไม่ครบริยานามิตรไม่ฟังพระสัจธรรม ไม่มีอธิฐานธรรมอย่างมั่นคงในการที่จะขวนขวายนําพากระแสชีวิตของตัวเองให้เข้าถึงความสิ้นทุกเนี่ยก็กลับมาเกิดอีกโดยย่ออุบาทานขันทั้ง5กล่าวมาทั้งหมดเหล่านี้สรุปลงก็คืออุปาทานขันทั้งหเนี่ยเป็นตัวทุกคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปีตเตอร์เหล่านี้นี่เป็นชุดแรกในชุดต่อมาก็คือเป็นการสรุปนะปฏิันนทุกก็คือทุกปิดบงังหรือทุกซ่อนเลน อนนี้ไม่ปรากฏให้เห็น ช, ะชะัดๆปวดหูปวดฟันตัวร้อนเนี่ยเป็นบ่อยใช่ไหมนี่แหละทุกซ่อนเลนหรือเร่าร้อนด้วยไฟคือราคะเร่าร้อนด้วยไฟคือโทสะเร่าร้อนคื อ, รรอไฟโมหะนี่คนอื่นมองไม่เห็นเราตัวเผาหลนใจเราตลอดทุกไหมนี่มันเผาตลอดอชุดที่3เป็นเพียงการสรุปทุกชนิด ต, ต, ต, ติต่างๆปริยยทุกขทุกโดยปริยยาทุกโดยอ้อมได้แก่ทุกทั้งหมดที่กล่าวมานั่นแหละ คือทุกเวทนานอกจากทุกเวทนานิปริยาญทุกกระทุกโดยตรงเลยได้แก่รู้สึกทุกข์ที่เรียกว่าทุกข์กระทุกหรือทุกเวทนาเป็นต้นเหล่านี้สรุปแล้วก็คือท่านในจุรันิเทศนะท่านแสดงชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์พูดถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพูดถึงโศกกาปริเทวทุกขโทมนาส่าและอุปายาตเป็นทุกข์แล้วพูดถึงในเรื่องของนิริยาทุก์ด้วยนิรชันนิยักทุกข์ด้วย ทุกในการเกิดเป็นสัตว์นรกทุกในการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานปิติวิศวิศยากรทุกก็คือเกิดเป็นเปรตมนุษย์ยข์ทุกในการเกิดเป็นมนุษย์ทุกของสัตว์นรกทุกของสัตว์เดรัจฉานทุกของแดนเปรตทุกของมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ท่านก็จะแยกแยะรายละเอียดของความทุกข์ขัพโภกันติกามุระกะทุกทุกที่เกิดจากกลงเกิดในคันนี่ได้กล่าวไปแล้วหรือ ทุกจากสังขาระทุกวิปริณามทุกทุกจากโรคภัยต่างๆโรคตาโรคหูโอ้หรวมเยอะแยะเลยจากโรคโรคตาโรคคคาณโรคโรคจมูกโรคปากโรคลิ้นโรคกายเนี่ยนะหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะนี่เป็นความทุกข์ทุกเพราะความตายของมารดาความตายของบิดาความตายของพี่น้องเป็นต้นเหล่านี้ของหญิงเป็นต้นความทุกข์การสูญเสียญาติสูญเสียโูค่าสูญเสียโรคคำว่าสูญเสียที่โรคก็คือโรคมะเบียดเบียนสูญเสียศีล รักษาศีลอยู่ดีๆศีลวิบัติไปเนี่ยโหทุกตายเลยต่อไปพอศีนิบัติไปบาปให้ผลไหมให้ผลทกเพราะสูญเสียทิฐิไอสมาธิที่หายไปมิจฉาทิฏฐิเข้ากลุ่มรุมโอ้โหทุกไหมอย่างเช่นในอักในไออรักคัทูปมาสูตรเนี่ยอริทกาเนี่ยโอ้โหทุกเพราไอตัวไหนกินท่านมิจฉาทิฐิแล้วออกจากมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เนี่ยเสียสมาธิที่เลยเนี่ยนี่เป็นต้นนะ ส่วนในมหาทุกขคขันทสูตรหรือจุฬาทุกขขันทสูดเนี่ยท่านพูดถึงความลำบากจากตรําเดือดร้อนตลอดถึงกระทั่งสูญเสียชีวิตเนื่องมาจากการประกอบการหาเลี้ยงชีพโอ้โหทธรรให้กินเงินตายค้าที่ทํามห้กินนี่ยดิ้นรนกระเสือกกระสนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหยกระเสือกกระสนกันดิ้นรนกันอย่างกระเสือกกระสนตลอดเวลาไหมได้หยุดไหมเนี่ย โ, โหย้ยโดนผักไป ความเศร้าโศกเสียใจในเมื่อเพียรพยายามในการประกอบยการเลี้ยงชีพแล้วโพคค่าก็ไม่สำเร็จผลด่วยทุกขนี่ผิดหวังอ่ะถามว่าร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าสมหวังหรือผิดหวังผิดหวังแล้วก็รู้อยู่ร้อยละเก้าสิบเก้าเนี่ยผิดหวังไอ้ที่เป็น่ารวยรวยรยรไปถามดูทีนผิดหวังมั น, ม, นมันไม่มีสมหวังเลยว่างั้นเถอะร้อยละเก้าสบเก้าจุดเก้าการหาเลี้ยงชีพผิดหวัง คนที่มีสัมมาอาชีวะที่ถูกต้องเท่านั้นถึงจะสมหวังในชีวิตนอกนั้นเป็นกลุ่มผิดหวังผิดหวังทุกวันเออไม่ได้อย่างหวังไม่ได้อย่างหวังไอลงทุนไปแล้วผิดไปขิดคาดผิดคะเนยอยู่เรื่อยแหละมันผิดหวังตลอดหวังจะได้ห้ได้แค่สิบได้หวังจะได้สิบได้ห้าเงี้ยมันผิดหวังตลอดแต่ก็มาคุยโมโอดว่าสมหวังแต่จริงผิดหวังเนี่ย มันเพียรพยายามในการประกอบอาชีพแล้วโภคค้ามันไม่สำลิดผลแม้โภคค้าสำลิดผลแล้วก็เกิดความทุกข์ยากลําบากใจในการที่ต้องคอยรักษาโภกทระซับนั้นโอ้ยเนี่ยผิดหวังตอนอรักษาอีกทุกจากการที่แสวงหากับการทุกข์เพราะการรักษาอะไรหนักมันอยากได้บ้านทุกไหมพอได้บ้านมาทุกไหมอยากได้รถทุกไหมได้รถมาแล้วทุกไหมอยากได้ทรัพย์ทุกไหมได้ทรัพย์มาทุกไหม อยากได้ภรรยาอยากได้สามีทุกไหมได้มาแล้วทุกไหมอยากได้ลูกทุกไหมได้มาแล้วทุกไหมโอ้โหเป็นเรื่องทุกในการแสวงหาทุกในการรักษากลัวมันจะพัดพราไปไปหากันต่อไปอยากออกไปไหมลองอยากไม่อยากฮะ <c oughs> อา้าไม่เข็ดก็ไป ไปหาตองความเศร้าโศกเสียใจเมื่อสูญเสียโภคทรัพย์นั้นไปอารักขาไว้ไม่สำเร็จทำยังไงหนึ่งถูกโจรป้นทุกข์นีกสองไฟไหม้ทุกอีกสามพายุพัดทุกอีกโอ้โหสี่แผ่นดินถละม่มทุกอีกโอ้ยตายเนะียไฟไหม้พายุน้ำท่วมโจรป้น ถูกรีบซับถูกเพื่อนถูกโกงในมือทายาทไม่ดีมาโอ้เนี่ยขนาดป้องกันเตรียมที่ก็ยังภัยอันตรายก็ยังมาเบียดเบีนรอบด้านนีไปไปมาถูกริบทรัพย์ดูที่น่ยหามาทั้งชีวิตเนี่ยไปไ ป, ไปมามาเขาบอกว่าอีไปโกงเข้ามาถึงแล้วว่างั้นโดนริบทรับกินเลยโอ้ยร้องไห้กันแทบตายเนี่ยการทะเลาะวิวาทแก่งแย่งกันทําร้ายกันเนี่ยถึงตายบ้างทุกปางตายบ้าง ระหว่างราชากับราชาบ้างระหว่างขณามบดีกับขณามบดีบ้างแม้กระทั่งระหว่างมารดาบิดาบ้างกับบุตรบ้างกับพี่น้องบ้างกับเพื่อนบ้างทะเลาะกันเรื่องอะไรเนี่ยก็เนี่ยเรื่องกามนี่แหละเป็นเหตุเรื่องการขัดแย้งกันเนี่แหละเป็นเหตุการทำสงครามประหัรประหารกันระหว่างชนสองหมู่สองฝ่ายในสมรภูมิเนี่ย ต่างก็พากันล้มตายได้รับความทุกข์แสนสหาหัสเพราะถูกอาวุธบ้างเนื่องจากการต่อสู้เนื่องจากการลบกันใช่ทุกไหมใช่มหารแต่ทุกไหมเนี่ยทีนี้รุกรานโจมตีกันเนี่ยชิงบ้านชิงเมืองกันเบ็ดเสด็จแล้วต่อสู้กันบาดเจ็บล้มตายได้รับทุกข์กรเวทนาเปน็นอันมากสู้กันได้ด้วยอาวุธไม่ได้ก็สู้กันด้วยด้า น, านเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจไม่ได้ก็ด้านวัฒนธรรม ส ร, สร้างสิ่งร้าวสิ่งปกระดมขึ้นมาต้องการที่จะดึงมวลชนกันโอ้โหแข่งแย่งชิงดีกัตนตลอดเวลาเนี่ยถามว่ามันพอไหมเนี่ยน่าเบื่อหน่ายไหมเนี่ยว่าันเถอะเพียงพอหรือยังที่จะคลายกำนัดเพียงพอหรือยังที่จะเบื่อหน่ายเพียงพอหรือยังที่อยากจะนิพพานใช่ไเอาไปพิจรารณาดูนะการทำทุจริตอัจญกรรมต่างๆเช่นปล้นทรัพย์ ทำผิดทางเพศเป็นต้นแล้วก็ถูกจับกุญลงโทษปางตายทุกเป็นตายกันเยอะแยะหมดเอาเสีไปอยู่ในเรือนจําไปดูไปดูนั่นแหละการประกอบกรรมกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตขั้นตายไปแล้วก็ไปเข้าถึงอบายทุกติวิริบาตในโลกโอ้ต่ออีกไปพบหน้าต่ออีกเมื่อประกอบกายทุจริตทุจริตก็ลงไปในลักษณะอย่างนี้แหละท่านนีมองเห็นว่านี้คือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้น อพอมองทุกที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ปุ๊บก็มองว่าอสาเหตุของทุกมันมาจากอะไรอันนี้พระรยาจะแสดงธรรมแบบนี้นะนี่เขาเรียกแสดงสัจจะอะไรทุกขสัจโอ้โหบอกรายละเอียดเบ็ดเสร็จเลยเห็นง่ายไหมเห็นง่ายมากแล้วก็บอกว่าเอาละปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เกิดมาทั้งหมดดังที่ได้พิรนามาทั้งหมดนั้นมาจากอะไรมันมาจากสมุทรไทยมาจากเขตไอสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไปจัดการอะไรกับมันนะเพียงให้รู้ด้วยปัญญาเนี่ย เนี่ยให้รู้ว่านิทุกเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปกาหนดว่าอีกเขรดของทุกมันคือตัณหาการมาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิเพราะว่าตัณหาเนี่ยความอยากในกามทั้งหลายความอยากมันมั่นคงทั้งหลายความอยากจะผักนะต้องการมันสูญสลายไปเป็นตัวเหล่านี้เอาวิชาคือความมืดบอดความไม่รู้รู้ผิดเนี่ย อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นสังขารละไอตัวกลุ่มการปรุงแต่งกรรมคือกายกรรมวิจิกรมโโกรมนรกกรรมทั้งหลายเหล่านี้ที่มันเกิดร่วมกับตัณหาเกิดร่วมกับทิฏฐิเกิดร่วม ก, ก, กับวิชาทั้งหลายเหล่านี้ก็ไปทํากายทํากรรมทํากรรมมาก็ได้ไงชาติทุกข์อีกได้ชราทุกข์อีกได้พยาธิทุกข์อีกได้วรณะทุกข์อีกได้ความโศ ค, ความล่ําไรลําพันไม่สบายกายไม่สบายใจได้ความครับแค้นใจ ได้ขันห้ามาบริหารกันมาดูแลกันได้รู ป, ปรขันเวทน า, าสัญญาสังขารวิญญาณมาได้ตาหูวจมูกเล่นกายใจมาดีไหมอ้าวเนี่ยแปลว่าเอาแลนี่ไหมโอ้โหเนี่ยเราก็เห็นแล้วนี่คือสมุทยัยนี่คือเหตุใช่ไหมพอพูดเหตุเอาแล้ถ้าสามารถใช่ไหมถ้าบอกว่าทุกเนี่ยเราต้องถามว่าเราต้องวางท่าทีกับมันยังไงทุกเนี่ยต้องจัดการกับมันยังไง ก็คือต้องกำหนดรู้ต้องรู้จักใช่ไหมต้องรอบรู้และสมุทยแหละกิจที่ควรทำกับสมุทยคือประหานะคือการละคือการทำให้หมดทีนี้เอาแล้วตอนนี้ถ้าละสมุทัยได้ใช่ไหมมันจะถึงจุดหมายถามว่าทำยังไงปัญหามันจะหมดทำยังไงทุกมันจะหมดทำยังไงถึงจะไม่ก่อ ก่ยังไม่สร้างปัญหาต่อขึ้นมาอีกตรงนี้ก็ไป ก, กําหนดที่ตัวไหนจุดหมายจุดหมายกลายเป็นนิโรดนิโรดก็มีทั้งตทางท่นิโรดวิคำพันธนิโรดใช่ไหมสมุดเฉท่านิโรดปฏิปัสัธินิโรธแล้วก็นิสรณ น, นิโรดถ้าเป็นตทางท น, นิโรดลาได้ชั่วขณะใช่ไหมดับชั่วขณะอันนี้ได้ดีไหมไม่ดีต้องเกิดต่ออีกวิขำพันธะก็คือ ดับทุกโดยการข่มไว้ข่มกิเลสไว้ชั่วระยะหนึ่งเอ้าเดี๋ยวผุดขึ้นมาใหม่อีกสมุดเฉทานี่รอดก็คือตัดขาดด้วยการละกิเลสโอ้อันนี้เป็นอริยมรรตปฏิปสธินิโรธเนี่ยก็คือสงบระงับโดยอริยผลโอ้ผลสําเร็จจากการ เ, เข้าถึงนิโรดนั้นส่วนที่เป้าหมายสูงสุดก็คือนิทรารณานิโรธด้วยการออกไปออกไปจากขันห้าซะเลยออกไปจากฉีกระแสชีวิต ออกไปจากทุกอย่างถาวรซะเลยนี่ก็กาหนดจุดหมายให้ชัดมองเห็นหรือยังก็มองเห็นว่าเอาละทุกนิโรธเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําให้แจ้งควรประจักษ์แจ้งก็คือควรทําให้มีให้เกิดขึ้นทีนี้ขั้นตอนต่อไปที่เราจะคุยกันในวันนี้คือในขั้นตอนของคําว่ามักเออมักนี่เรื่องใหญ่แล้วแต่นี่นะฉะนั้นพอมักเนี่ยจะไม่เดียงลําดับตามสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะก่อน พอจะพูดถึงสมาธิฏฐิสัมมาสังกปะอันนี้พูดถึงเรื่องปัญญานะแต่ด้วยหลักการเนี่ยถ้าในยะของเทศนานเนี่ยก็จะพอพูดถึงสมาธิฏฐิความเห็นชอบพูดถึงเรื่องของปัญญาคือความรอบรู้นี่แหละเพราะจากความรอบรู้ความเข้าใจในเรื่องของความชานฉลาดที่ทำปัญญาให้ทั้งหลายเกิดขึ้นเห็นไหมว่ากรณีที่เราจะไปจัดการเนี่ยในการที่จะไปละหรือว่าไปรอบรู้ทุก ก็ต้องมาบําเพ็ญอะไรบําเพ็ญมรรคมาเจริญมรรคมาอบรมมรรคมาทํามรรคนี่ให้เกิดไปรัตสมุทัยก็มาอบรมมรรคเจริญมรรคบาเพ็ญมรรคให้เกิดมาทํานิโรธให้แจ้งก็คือทําจุดหมายชัดก็มักอยู่ที่ตรงนี้แหละฉะนั้นใน3อย่างนั้นเราไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยนะเนี่ยสิ่งที่จะต้องมาระดมมาจัดการแล้วก็มาทําให้ไม่ีให้เกิดขึ้นก็คือกลุ่มมรรคนี่เองอันดับแรกก็พูดถึงในเรื่องของสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องแล้วก็พูดถึงสัมมาสังกปปะ ถ้าเห็นถูกต้องก็คือเห็นอริยสัจใช่ไหมเห็นอริยสัจสี่ก็คือไปเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคเห็นสิ่งที่จะต้องจัดการจริงๆหรือมาทําให้มีให้เกิดขึ้นจริงๆคือมรรคสอย่างไม่ต้องไปทําอะไรเขาเนี่เพียงให้รู้จักด้านทุกขสัจสองสมุทัยสัจจะก็ต้องไปละละก็ต้องไปชื่อของปัญญานี่แหละเข้าไปละรู้จักก็ต้องใช้ปัญญาไปรู้จักกำหนดจุดหมายก็เหมือนกันก็ต้องใช้ปัญญาในการกําหนดจุดหมายก็คือนิโรธไม่ใช่ใช้อย่างอื่นไปกําหนด ฉนันสมาทิฏฐิจึงมีเป็นองค์สําคัญมากจะไม่ได้กล่าวในรายละเอียดตรงนั้นแล้วประการต่อมาก็คือเมื่อเห็นอริยสัจสี่ไอตัวสัมมาสังกปรในความดําริชอบเนี่ยดำริที่เป็นเนคข ม, มัสสังกปะนีที่เป็นปัจจัยเกิดโยนิโสมนสิการดําริในการที่จะเป็นไร้การไร้พยาบาทไร้วิหิงสาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็ต้องเป็นเนคข ม, มัสสังกปะ พยาบาทสังกปะดํมลิในการไม่พยาบาทเอาหิงสาสังกปะก็คือดํมลิในการไม่เบียดเบียนก็คือไร้กามไม่ดํมลิเข้าไปหากามดมรดํมลิออกจากกามดมรดํมลิออกจากพยาบาทดํมลิในการเข้าหากรุณาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีโยนิสมนัสิการในการที่จะปลุกเรากุศลปลุกเร้าเมตตาให้เกิดขึ้นปลุกเรากรุณาให้เกิดขึ้นปลุกเร้ามุติตายเกิดขึ้นปลุกเร้าอุเบกขาให้เกิดขึ้นปลุกเร้าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นต้นให้เกิดขึ้น เห็นไหมว่าตัวสัมมาสังกปะเนี่ยเป็นการปลุกเร้าสัมมาสังกปะนี่ก็เลยเกิดร่วมกับสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนี่แหละเมื่อความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นมาก็กลายเป็นเนกขมัสสังกปะดําเริออกจากกามด้วยดําเรียออกจากพอดําเริออกจากกามเนี่ยก็ไปหาอะไรเนี่ยเข้าไปหาอุเบกขาวางใจเป็นกลางได้ใช่ไหมดําเริออกจากพยาบาทเข้าไปในไหนก็เข้าไปหาเมตตา ดัมเิไปในเมตตาดําริไปในมุทิตาดําริในการไม่เบียดเบียนก็ไปหาการุณาทั้งเมตตาการุณามุทิตาทั้งหลายก็เข้าไปว่าเมื่อเรามีเมตตามีกรุณามีมุทิตาเนี่ยก็หรือมีเวขาเป็นต้นก็ใช้กลุ่มพรหมวิหารเหล่านี้ไปเจเริญไปการให้ทานก็เป็นการให้ทานด้วยเมตตาให้ทานด้วยกรุณาให้ทานด้วยมุทิตา กล่าวาจาที่อ่อนหวานก็กล่าววาจาด้วยเมตตาด้วยกรุณาด้วยมุทิตาบำเพ็ญประโยชน์ด้วยเมตตาด้วยกรุณาด้วยมุทิตาและส่วนอุเบกขาก็บำเพ็ญสมานตตาวางตนเสมอต้นเสมอไปเสมอในสุขเสมอในทุกข์ไม่เลือกทิรักไม่ผักที่ชังอันนั้นก็ขับเน้นที่อุเบกขามีกําลังจากทานปิยาวาจาอัตจริยาสมานตตาเป็นธรรมะในการที่จะภาคปฏิบัติการเห็นไหม เมตตากรุณาเมตตาเบิกขาอยู่ในใจพอปฏิบัติการออกมาทางพฤติกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งหลายเหล่านี้ทางการประพฤติประโยชน์ทั้งหลายก็ออกมาเป็นการทานให้ทานบ้างเป็นปิยาวาจาบ้างเป็นอัตจริยาบ้างเป็นสมาณะตาบ้างแล้วก็มาประชุมลงสู่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะตลอดถึงตัวสัมมาชีวะฉะนั้นในที่นี้เราจึงมาพูดกันในเรื่องของมารดมในพูดในเรื่องของสีเห็นไหมว่ามันมายังไงเนี่ย ตัวสัมมาวาจาสมากัมมันต์และก็สัมมาอชีวะเนี่ยเขาถูกขับเคลื่อนลงมาจากสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องถูกขับเคลื่อนมาจากสัมมาสังกประคือความดําริที่ถูกต้องดังนั้นถ้าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประในองค์ธรรมสององค์เนียความเห็นที่ถูกต้องเห็นในความเป็นจริงเห็นในกรรมผลของกรรมถูกต้องแล้วเนี่ยมีสัมมาสังกประไอ้ตัวสัมมาสังกปะก็เลยดําริออกจากก ร, รม ตำแริออกจากพยาบาทตำแหนริออกในการเบียดเบียนเพราะตำแริออกจากกรรมทั้งหลายเหล่านี้กระแสะชีวิตก็เลยเป็นไปกับพรหมวิหารใช่ไหมฮะพยาตำแหนริออกจากพยาบาทดําริออกจากการเบียดเบียนก็เป็นไปกับเมตตากรุณาและมุทิตาตลอดถึงประชุมลงสูดเบกขาก็เป็นกลุ่มเจริญพรหมวิหารในจิตใจได้มีสภาพใจที่ว่ามีธรรมะอันประเสริฐประชุมอยู่ในจิตใจหรือว่าธรรมะเนี่ยที่จะคลอง ประจาใจอันประเสริฐเพื่อจะได้กำกับพฤติกรรมกำกับชีวิตหรือกำกับความคิดไว้มาคอยดูแลพฤติกรรมที่พฤติกรรมเวลาแสดงออกมาก็แสดงออกมาเป็นตัวในด้านของสังหาวัตถุหนึ่งทานการให้สองปิยาวาจาการกล่าววาจาอ่อนหวานสามอัธจริยาคือการบูรประโยชน์สี่สมานัตตาคือการวางตนที่เหมาะสม การที่จะออกมาได้อย่างนี้ก็ถูกขับเคลื่อนด้วยพรหมวิหารธรรมที่อยู่ในใจเมื่อถูกขับเคลื่อนด้วยพรหมวิหารธรรมพอประพฤติในการทานปิยาวาจาถัจริยาสมานะตตาก็กลายมาเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะเออเป็นการการกล่าววาจาชอบเป็นการกระทําชอบเป็นการเลี้ยงชีพชอบมันก็เลยขับเน้นออกมาเป็นศีลที่ถูกต้องดีงามอันนี้เป็นภาคปฏิบัติการนี่เป็นภาคของมร์เนีเป็นภาคของมร์ที่จะเกิดขึ้น ฉะ น, นตรงนี้ก็เลยจะต้องมาพูดถึงในเรื่องของศีลนะทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของศีล น, นี่แหละเป็นเรื่องใหญ่อีกแล้วพูดถึงเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกรรมศีลอนิศีลใ น, นวิสุทธิมรรคถ้ายกในคัำพิวิสุทธิมรรคมาเรื่องใหญ่แล้ยทีนี้ที่พูดถึงในเรื่องของศีลเลยปฏิทถาญาณโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจา่าภาวยางอาตาปีนี้ประกภิคูสโสอิมังวิชัตะเยชะตัน ต, ติโอ้จริเป็นเรื่องเรื่องยาวเรื่องใหญ่ที่จะมาเรียนศึกษาคำพิวิสุทธิม ใหญ่โตเลยนะเนี่ยนะพอเรียนในเรื่องนี้นรชนผู้มีปัญญานะผู้มีปัญญานะดำรงตั้งมั่นอยู่ในศีลอบรมจิตและเจริญปัญญาเห็นภายในสังสารวัฏแล้วจะพึงทางรกชัดคือตัณหานี้เสียได้เนี่ยคาถานี้เป็นอย่างนี้ที่นี้คาถาในคำผีวิสุิมักถ้าพูดถึงว่า ถามว่าเหตุใดพระดําจึงตรัสพระดําหลัสนี้ตอบว่าได้ยินว่าเทพประบุตนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับที่กรุงสาวัตถีในยามราตีแล้วก็ทูลถามปัญหานี้เพื่อกระจัดความสงสัยของตนบอกว่าอันโตชตาพระหิชตาชตายะชะติตาประชาตางัตางตังโคตมะปุจฉามิโกอิมังวิชัต แตเยชตัง <ay> <ang> ถามบอกว่ามูสัตว์เนี่ยรุงรังรกไปด้วยรกชัดทั้งภายในและภายนอกมูสัตว์มีรกรุงรังไปด้วยรกชัดทั้งภายในและภายนอกข้าแต่พระโคดมผู้จเจริญเพราะเหตุนั้นแหละข้าพระ อ, องค์จึงทูลถามพระ อ, องค์ใครจะถางรกชัดนี้ได้เนี <ay> ่ยน <ang> <ay> ี่เทวดามาถามพระพเจ้าคําว่าชัดเนี่ย เป็นชื่อของตันหาที่เหมือนกับไายดังจะเห็นได้ว่าตันหาเหมือนกับชัดก็คือเหมือ น, ขนแขนงของกอไผ่ใช่ไหมเป็นแข น, แนงก็เห็ น, ขนแขนงกอไผ่ไหมเคยเห็นน้ําไผ่ไหมหนามไผ่ที่มันออกมาคุมกอไผ่อะถามว่าคนจะไปตัดต้นไผ่เนี่ยากไหมเนี่ยนั่นแหลประสานประสานกันไว้มันเกิดขึ้นเสมอในลม ความหมายความมูสัตวทั้งหลายเนี่ยก็มีตัณหาเนี่ยเข้าไปรกรุงรังไปยินดีในรูปยินดีในเสียงยินดีในกลิ่นยินดีในรสยินดีในโผลพระยินดีในธรรมารมณ์น้าปราตนาหน้าไข้ชวนในิรักชักให้ไข้พาใจใกำหนัดชอบใจไม่ชอบใจทั้งหลายเหล่านี้กลุ่มตัณหาเหล่านี้ก็โผยพันกับอารมณ์เหล่านี้ไว้รกรุงรังไหมทั้งสีเสียงกลิ่นรสผลพระและธรรมอารมณ์ ทั้งข้างบนและข้างล่างงั้นบรรดาตัณหาเนี่ยก็รับรูปอารมณ์ก่อนแล้วก็รูปอารมณ์ศรัทธารมณ์เป็นต้นนะแล้วก็ลงไปถึงธรรมารมณ์ด้วยในบางค่าวก็รู้ธรรมารมณ์ก่อนรู้รูปารมณ์ทีหลังเนะี่ยบางค่าวก็เกิดในกามภูมิบางค่าวก็เกิดในรูปภูมินีบางค่าวก็เกิดในรูปภูมิเนี่ยแล้วก็เกิดในรูปภูมิกาลมาภูมิเป็นต้นเหล่านี้ชัดทั้งภายในก็หมายความว่าเกิดขึ้นในเซีระของตนบริขารของตนและอายตนะภายในของตนเอง หัวก็ยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเองใช่ไหมตัณหาเนี่ยยินดีหรือไม่ยินดี<__>เพลิดเพลินหรือไม่เพลิดเพลินมัวเมารุ่มหลงหรือไม่มัวเมารุ่มหลงก็เพลิดเพลินในบริขารของตนเองในอัตภาพของตนเองแล้ในตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเอง<__>นี่ก็จะชัดภายในรกชัดในภายในมันรกภายในอย่างนี้รกชัดในภายนอกก็คือเกิดขึ้นในสริลัของผู้อื่นบริขารของผู้อื่นอายตนะภายนอกไปยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายใจของผู้อื่นสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณพ์ ทำอารมณ์ของบุคคลอื่นไปยึดติดของบุคคลอื่นไปยินดีไปเพลิดเพลินเห็นไหมรกทั้งภายในรกทั้งภายนอกไหมหมู่สัตว์รกรุงรังแบบนี้ไหมรกรุงรังอย่างนี้แหละอุปมาเหมือนกับไม้ไผ่เป็นต้นรุงรังด้วยขแขนงในกอไผ่เป็นต้นชั้นใดบรรดาประชาหรือหมู่สัตว์ก็ฉันนั้นละลุงรังด้วยชัดคือตั้หานี่ฉันนั้นแหละหมายความว่าอะไรถูกตั้นหาประสานไว้เกาะไว้เพื่อจะ แล้วก็เลยบอกกับตังตั ง, ตงโคตามาผุจฉามีข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญเพราะเหตุนั้นแหละข้าพระองค์จึงทูลถามหมายความว่าเพราะมูสัตว์รกรุงรังอย่างนี้ฉะนั้นข้าพระองค์จึงทูลถามพระองค์คําว่าโคตามาเนี่ยข้าแต่พระโคโดมเนี่ยกล่าวระบุถึงพระนามของพุทธเจ้านีระบุตระกูลระบุโคตนะคนอินเดียเขาจะเป็นอย่างนี้แหละเวลากล่าวถึงโคตถึงตระกูลเขาไม่นิยมเรียกชื่อกันหรอกพุทธเจ้าของเราเนี่มีนามว่าสิท ธ, ธัตถะ แต่คนทั่วไปก็เรียกพระ อ, องค์ว่าโคตมาโคตเหมือนชาวตะวันตกนะีชาวตะวันตกก็เรียกชื่อสกุลนะเชสกุลใะ้พระเจ้าเนี่ยตัดเรียกราชธิดาของพระ อ, องค์ว่าโคตมะพระราชบิดาก็โคตมะเนี่ยเรียกพนางนาะประชาดีโกนเมวโคตมีเนี่ยเป็นศัพท์อิธีลิงไม่ตัดเรียกว่าสุทโธธนะหรือประชาวดีนะตัดเรียกว่าโคตมะโคตมี การเรียกชื่อโคดเนี่ยเป็นการยกย่องอีกฝ่ายหนึ่งที่กําลังสนทนากันจัดเป็นวัฒนธรรมของชาวเมืองผู้เจริญแล้วเนี่ยในสมัยนั้นฉะนั้นเทพประบุทูลถามว่าใครจะถางหรือใครจะเป็นผู้สามารถถางชัดที่เริงรัตการมาภูมิรูปภูมิและรูปภูมินี้ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยผู้มีพยานดําเนินไปอย่างไม่ติดขัดในธรรมะทั้งปวงที่เป็นอธิเทพ ยิ่งกว่าเทพเนี่ยเป็นเท้าส ก, กะเป็นหมู่เป็นท้าส ก, กะที่เลือดกว่าหมูเท้าส ก, กะเป็นพรมที่เลือกว่าพรมแ <c oughs> กล้วกล้าเดเวีสารัช ย, ยานแล้วก็พระทศพลยานสิมีพระยานที่ไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางมีพระจักสุรอบด้านด้วยพอเทวดาหรือเทพบุตรทูลถามอย่างนี้แล้วก็รีตอบเลยตอบคาถามเทพบุฑว่าสีเรปฏิฐายานโรสปัญโยจิตตังปัญญจ่าพาวยังอาตาปีนิปโกพิขู โสยมังวิชัตเตเยชะตังบอกว่านราชนผู้มีปัญญาเนี่ยตั้งมั่นแล้วในศีลอบรมจิตและเจริญวิปัสสนาปัญญาเขาผู้นั้นเห็นภัยในสังสารวัฏแล้วสามารถทางชัดคือตัณหานี้ได้ก็ว่าตอบอย่างนี้ปุ๊บนี่เทวดาเข้าใจแล้วแต่วกเราต้องมาขยายเนี่ยพุทโคสาจิตจาร์เนี่ยท่านก็เอาคาถาเนี่ยมาขยายเป็นคำภีวิสุทธิมักเล่มบเบลอเลยเล่มขนาดใหญ่กว่านี้เห็นไหมเนาเล่มบเบลอบเลย ทั้งศีลนิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศนี่แหละจากคาถาเนี่ยสบาทคาถาแค่นี้เอามาขยายได้ขนาดนั้นเนี่ยเราก็เลยเป็นกัมพีเรียนศึกษากันเนี่ยจากจากคาถาสบาทนี่แหละก็คืออมความพระใจวีดกไว้หมดเลยนี่เป็นอย่างนี้เนะพระพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ฉลาดพราะพระเจ้ามีเวสาลัชายานเนี่ยปัญญาอาจฐาน ของพระตถาคต4ประการก็ได้แก่ปัญญาอาถานในธรรมที่ที่ทำอันตรายสามารถที่จะรู้เลยนะว่าธรรมะนี้เป็นอันตรายหรือไม่เป็นอันตรายรู้สองปัญญาที่อาถานในธรรมที่นําออกจากทุกคือมีปัญญาประเภทนี้บอกว่าสามารถที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยสร้างปัญญาเนี่ยให้นําออกจากทุกได้และมีปัญญาที่รู้ด้วยธรรมะอันนี้ทําแล้วเป็นอันตรายหรือไม่เป็นอันตรายไงเนี่ยชี้เห็นด้วยและมีปัญญาอาถานในความเป็นพระเจ้า ประการที่4ี่ก็มีความปัญญาอาฐานในความสิ้นอาสวะมีกาาสวะเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาก็เลยท่องเป็นคาถาประพันธ์เข้าไว้บอกว่าอันตระอันตรเยจนินญาเนผูธะเตอาสวะขยเยจตุสเสวเตสุทาเนสูวิสารโทรมหามุนีบอกว่าพระมหามุนีทรงเป็นผู้กแกล้ในฐานะสีประการนะ คืออันตรายในการนําออกจากวัตตะความเป็นพุทธเจ้าความสิ้นอาสวะเป็นไหนถืออันตรายเนี่ยนีมีปัญญาอาฐานในธรรมที่เป็นอันตรายหนึ่งมีปัญญาอาฐานในธรรมที่ออกจากวัตทุกหนึ่งมีปัญญาอาฐานในความเป็นพระพุทธเจ้าหนึ่งมีปัญญาที่องค์แปล้ากล้าอาฐานในความสิ้นไปแห่งการมาสวะทั้งหลายเป็นต้นหนึ่งนีแ่แหละก็เรียกเวสารัชญานสี่ที่คนอื่นไม่มีแต่พระพุทธเจ้ามี <laughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งพระทธเจ้านี่มีพระกําลังมีพระกําลังนะพระเจ้ามีกำลังพระกำลังของพระธรรมโคตเนี่ยเทียบเท่ากับช้างปกติ1000โกรดและกําลังของบุรุษปกติ 10,000 โกรดนะแต่ตรงนั้นจะไม่ไม่ขยายพระจ้ใครอยากมีกําลังมากๆากก็บำเพ็ญบารมีอย่างที่พระเจ้าบํำเพ็ญ คือศีลนะนะกำลังของกุศลศีลทานกุศลศีลกุศลเป็นต้นกําลังของบุตรสิบคนนะเท่า hmm. ก mm ับกําลังของเสมอกับกําลังของช้างอารวาคาเนี่ยหนึ่งเชือกกําลังของช้างอารวาคาสิบเชือกเท่ากับกําลังช้างของชังเคยะหนึ่งเชือกกําลังของช้างชังเคยะ10บเชือกเท่ากับกําลังของช้างปันดาราอีกหนึ่งเชือก กำลังของช้างปันละส0บเชือกก็เท่ากำลังของช้างตำพลาอีกส0บเชือกกำลังช้างตำพลาสิบเชือก็เท่ากำลังของช้างปิงคละหนึ่งเชือกกำลังของช้างปิงคละ1ิบเชือก็เท่ากำลังของช้างคันทะานสิบเชือกกำลังของช้างคันทะ10ิบเชือก็เท่ากำลังช้างมังคละ1ิบเชือกกำลังของช้างมังคระ1ิบเชือกเท่ากำลังช้างเหมะวต่าสิบเชือก กำลังของช้างเหมะวะตะสิบเชือกเท่ากับกำลังช้างอุโบสถหนึ่งเชือกกำลังช้างอุโบสถ10เชือกเท่ากับกำลังช้างฉัดทัน10บเชือกกำลังของพญาช้างฉัดทันสิบเชือ ก, กอทเท่ากับกำลังของพระตถาคตเจ้านี่กำลังกายนะเนี่ยอย่าแปลกถ้าคนบำเพ็ญบา ร, รมีมาขนาดเนี้ยก็จะมีพะกกำลังอย่างนี้แหละถ้าเทียบเข้าช้างปกติกบพันโกร ประมาณพันโกดเชือกเนี่ยเท่ากับกําลังของพุทธเจ้า ห, หรือถ้าบุรุษกําลังของพระระดับบุรุษปกติก็หนึ0 0หมื่นโกดรวมกันเท่ากับกําลังของพุทธเจ้านี่พระเจ้ามีพระกําลังขนาดนี้แหละจึงมีความองอาจมากในการที่เสด็จดําเนินได้พระบาทเป่าทั่วชมพูทวีในการโปรดเวนิยสัตว์เดิน16กิโลเมตรนี่ปกติง่ายๆ ให้มากกว่า น, นั้นก็ได้เดินวันละ40โยชน์ว่่สิบโยน์เดินได้สบายนี่นี่กําลังขนาดนั้นนี่อันนี้ไม่ต้องใช้ฤทธิ์อย่างอื่นเลยนะใช้พักกาลังปกตินี่เลยถ้ากําลังฤทธิ์เนาว่ากันอีกทีโอ้โหหาหาประมาณไม่ได้เออเนี่ยลักษณะอย่างเนี้สามารถจะทําให้มีให้เกิดได้นมนุษย์เนี่ยสามารถทําให้เกิดขึ้นไม่ได้จํากัดความเป็นพุทธเจ้าขอกล้าบำเพ็ญไหมนี่กล้าไหม ฐานาฐานายานนะมีพยานสิบเนยยานที่รู้สิ่งที่มีเป็นฐานะและอฐานะอันนี้จะไม่ขยายแล้วสะพัฒาคามินีปฏิปทาญานก็ยานที่รู้ปฏิปทาให้บรรลุฐานะทั้งปวงอเนกาทาตุนานาทาตุญาณก็ยานที่เห็นธาตุมีจํานวนมากและก็ธาตุที่ต่างกันนานาธิมุติกยานก็คือยานที่รู้อัธยาศัยของสัตว์ที่แตกต่างกันนี่แหละวิปากะเวมะตะ ตายานก็คือญาณที่รู้เห็นความต่างกันของวิบากสัตว์มีวิบากต่างกันฟังกันเถอะสังกิเลสาวธทาวุฒานญาณก็คือญาณที่รู้ความเศร้าหมองและความหมดจดและการออกจากฌานเนี่ยนะอินทรียปรปริยติมัตตายานก็ญาณที่รู้ความต่างกันและหย่อนของอินทรีย์พระเจ้ารู้นะใครมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ต่างกัน่ปุเพนิวาสานุสติญาณก็รู้รูปกระแสของรูปนามที่เคยอยู่ในพก่อน ทีพระจักขุยานกัตาทิพรู้จุดติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายและอาสวะกยาานพยานที่ย่างเห็นความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งสิ้นนี่คือพยานของพระพุทธเจ้าเนาะพยานที่ไม่มีสิ่งที่ขัดขวางเรียกว่านาวรณายานพยานที่ไม่ถูกปิดกั้นในการทั้ง3นะพยานในส่วนอดีตของพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้แจ้งไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางพยานที่เกี่ยวขล่นไปในอนาคตก็สามารถที่จะรู้แจ้งไม่มีอะไรขัดขวางได้พยานที่ ตรวจสอบในภาวะความเป็นไปในปัจจุบันก็ไม่สามารถมีอะไรมาขัดขวางได้เป็นต้นลักษณะนี้เขาเรียกว่าอนาวรณญาณส่วนพระเจ้ามีจักษุรอบด้านเขาเรียกสมันตาจักษุสมันตาจักษุเป็นชื่อของภาษาพันยุตญาณที่รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เนี่ยจะรู้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นก็ได้เนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละเออนี่ก็จะขยายในด้านของคัมภีร์นี้โดยเฉพาะ ที่นี้ว่าสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มในเรื่องของตัวศีลนี่แหละเวลาจะศึกษาในเรื่องศีลจะไม่เอาคำภีมาไล่ทั้งหมดแต่จะมาศึกษารายละเอียดเพื่อให้เกิดความเข้าใจก็หมายความว่าจะพูดถึงเรื่องศีล ศีลคืออะไรชื่อว่าศีลมีความหมายอย่างไรลักษณะลักษะปัจจุประทานประทัฐานของศีลคืออะไรเป็นต้นศีลมีอานิสงส์อย่างไรศีลมีกี่อย่างความเศร้าหมองของศีลคืออะไรความป่องแผ่วของศีลคืออะไรเนี่ยเอย่างเนี่ยเป็นประโยคในการที่จะตั้งในการมาทําความเข้าใจเนาะเราว่าศีลคืออะไรก่อนมองถึงในลักษณะของคําว่าศีลก็คือทำทั้งหลายมีกุศลเจตนาเป็นต้นของพวกงดเว้นจากการค่า ของผู้ที่งดเว้นจากการรักงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมงดเว้นจากการกล่าวเทจงดเว้นจากการกล่าวส่อเสียดงดเว้นจากการกล่าวคำหยาบงดเว้นจากการกล่าวเพ้อเจือใช่ไหมเนี่ยศีลเป็นอย่างนี้หรือบําเพ็ญวัดปฏิบัติอันนั้นก็คือกลุ่มเจตนาศีลมปต้นศีลคืออะไรเจตนาชื่อวศีลเจตสิกก็ชื่อวศีลสังวรก็ชื่อว่าศีลการไม่ก้าร่วงก็ชื่อศีล เนี่ยเดี๋ยวไปขยายต่อเขาถามว่าศีลคืออะไรเนี่ยเริ่มต้นก็เอาเจตนาก่อนเจตนาเป็นศีลยังไงเจตนาของผู้ที่งดเว้นจากการฆ่าเป็นต้นหรือเจตจำนงความจงใจและความตั้งใจในการที่จะบาเพ็ญวัดวัตระก็คือประพฤติปฏิบัติมันเป็นข้อปฏิบัติต่างๆเช่นต้องการจะปฏิบัติในอุชายวัตรหรือ อาจารยวัดเนี่ยวัดในการท pues ี่ปฏิบัติต่ออุปชาในการปฏิบัติต่อครูอาจารย์ข้อปฏิบัติในการที่จะเข้าห้องน้ําข้อปฏิบัติในการที่จะอยู่ในเสนาปัดกวาดเสนาสนะเป็นต้นข้อปฏิบัติในการบินทบาทเป็นต้นเนี่ยไอ้วัดหรือข้อปฏิบัติในการที่จะกระทําต่างๆตรงนี้มันมาจากอะไรมาจากเจตนามาจากความจงใจตั้งใจที่จะบําเพ็ญข้อปฏิบัติเหล่านี้ให้เต็มให้บริบูรณ์ให้แข็งแรงยิ่งๆขึ้นไป ต้องการฝึกขัดขัดเกลาตนเองให้เจริญไพบูรณ์ยิ่งๆิ่งขึ้นไปในลักษณะอย่างนี้มีเจตจำนงมีความจงใจตั้งใจอย่างนี้เขาเรียกว่าศีลเฮียเจตนาเป็นศีลใช่ไหมเนี่ยเจตนาเป็นไปในะลักษณะนี้อายกตัวอย่างเช่นเจตนาของผู้งดเว้นจากการฆ่าหรือเจตนาของบุคคลที่มีความจงใจตั้งใจจะปฏิบัติบาเพ็ญข้อปฏิบัติต่างๆให้เต็มให้บริบูรณ์ เนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเจตนา mm hmm. เป็นศีลถ้าเจตนาที่เป็นศีลเหล่านี้ถ้าไปขยายรายละเอียดมีเยอะเลยนี่ะบางครั้งในกรณีที่เรามีเจตนาเป็นประธานเอเจตนาก็จะไปกระตุนต้นเตือนเจตนาไปกระตุนต้นเตือนกระตุน้นเตือนอะไรกระตุนต้นเตือนกลุ่มสภาวธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกันกเจตนานั่นแหละ ให้มีความจงใจมีความตั้งใจที่เป็นไปกับการที่จะประพฤติปฏิบัติมีเจตจํานงอย่างยกตัวอย่า ง, างเช่นมีเจตนาในการที่จะงดเว้นจากการฆ่าพอมีเจตนาที่จะงดเว้นจากการฆ่าปุ๊บอั น, นี้เจตนาเป็นศีลแล้วความตั้งใจความจงใจตรงนี้จากเจตนาเหล่านั้นแหะหนักเข้าก็กระตุนต้นเตือนให้กระแสชีวิตเหล่านั้นดําเนินไปจากการงดเว้นจากการฆ่าจริงจริงด้วยพงงดเว้นจากการฆ่าอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอแล้ว สภาพจิตใจเนะี่ยยังขับเน้นให้เมตตามีกำลังมากขึ้นในกรุณามีกำลังมากขึ้นในมุทิตามีกำลังมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะกลุ่มคุณธรรมต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เจตนาแล้วเจตสิก ข, ขึ้นมาทำงานต่อจะไม่มีเมตตากรุณาหรือมีมุทิตาเป็นต้นเหล่านี้มีความไม่โลภความไม่โกรธมีปัญญาเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้น อากที่เจตนากระตุ้นเตือนเนี่ยเจตสิกก็เลยมาทําหน้าที่ตามเจตจำนงและความจงใจและตั้งใจนะั้นโอ้โหแต่นี้กระบวนการของกุศลธรรมไหลต่อเนื่องเลยในสภาพจิตใจใช่ไหมไม่ใช่แค่เจตนาอย่างเดียวแล้วเจตนาก็ทําหน้าที่กระตุ้นเตือนและเจตนาก็ทํากิจในการที่จะงดเว้นจากการฆ่าโดยและเจตนาก็ทํากิจในการที่จะกระตุ้นเตือนให้เมตตาทํากิจในการมีความรักความปรารถนาดีด้วยให้กรุณาเกิดสงสารในกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นด้วย ให้มีความพอยินดีกับสัตว์ทั้งหลายที่ประสบความสําเร็จเป็นต้นด้วยอู้เจตนากระตุ้นใหญ่ความไม่โรบก็เกิดขึ้นความไม่โกรธความไม่เครียดความไม่กระด้างหิงจิตก็เกิดขึ้นนะข้าวต่างข้าก็ทําพฤติกรรมกล่าวคือกายกรรมเลวจีกรรมและพฤติกรรมทั้งหลายเหล่านี้เรื่อาชีพทั้งหลายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามมีการงดเว้นจากการฆ่า ง, งดเว้นจากการรับงดเว้นจากการพิดผิดในการเป็นต้นไม่เพียงไม่แค่นั้นกระตุ้นวิจีกรรมด้วยให้ ง, งดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคําหยาบและเพ้อเจ้อ ให้เป็นไปกับการพูดสัมมาวาจาพูดคําที่เป็นประโยชน์ด้วยพูดคําสัต์คําจริงด้วยพูดถูกการด้วยพูดโดยเมตตาบ้างพูดโดยกรุณาบ้างพูดโดยมุทิตาบ้างโอ้โหกุศลกุศลธรรมดําเนินไปใหญ่เลยเห็นไหมตัวนี้กุศลศีลดินได้จริงไหมถ้าเป็นแบบนี้กุศลศีนก็เดินได้จริงเลยมีการกระตุ้นเตือนเกิดขึ้นมีการเกิดปลุกเรา้าระดมกุศลธรรมทั้งหลายเกิดติดต่อต่ อ, ตอเนื่อง กำกับพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางวาจากำกับอาชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามโอ้โหเดีน๋นี้ยังงี้ไหจากเจตนาจากความจงใจตั้งใจที่เกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องเนี่ยโหยกระตุ้นใหญ่นะกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายก็เดินติดต่อต่อเนื่องนำพากลุ่มกุศลธรรมนั้นให้เกิดขึ้นอย่างติดต่อเลยไม่ได้เป็นไปด้วยความเคยชินอย่างที่ได้กล่าวแล้วเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามเลยเดี๋นี้เนี กายก็ปกติวาจาก็ปกติใจ ก, ก็เลยเป็นไปก็ปกติเห็นไหมเนี่ยจากเจตนาเป็นศีลก็มุ่งสู่เจตสิกเป็นศีลเลยแตเนี้ยกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายความไม่โลภกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายคือความไม่โกรธกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายคือการเห็นชอบนะก็เลยเกิดขึ้นมาฉะนั้นเจตนาเป็นศีลเจตสิกที่เกิดร่วมกับเจตนาทั้งหลายกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายก็ทํากิจร่วมกันโดยการมีเจตนานี่แหละเป็นเจ้าการใหญ่ เป็นเกจํานงที่เป็นไปกุกศลเป็นเจตน า, าที่ดีกระตุน้นเตือนกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายที่ในใจเหล่านั้นในธรรมกิจโอ้ยกุศลธรรมเกิดไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นทั้งหลายเหล่านี้นกุศลก็เกิดดับสืบต่อเกิดไปอย่างติดต่อและต่อเนื่องเลยกลายเป็นตัวเจตนาเป็นศีลเจตสิกก็เป็นศีล น, นี่จะบองไปในลักษณะอย่างนี้ก็สามารถกํากับทําให้กายกรรมวิจีกรรมเนี่ยแล้วก็อาชีพเนะี่ยตั้งอยู่ได้ดี ไม่เกลื่อนกลน่นไม่กระจัดกระจายไม่ซ่านไปด้วยความเป็นผู้ทุศีลโอ้โหทต่นเนี้ยนะทำกิจกรรมต่างๆใดๆก็แล้วแต่กลุ่มกุศลธรรมก็เกิดในใจขับเน้นผักดันให้การกระทําทางกายที่เป็นไปกับสุจริตทางวาจาที่เป็นไปกับสุจริศอาชีพที่เป็นไปกับสุจริตทั้งหลายเหลา่หลานี้เป็นต้นพอเป็นไปอย่างนี้เบดเสร็จเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีศีลและตัวกุศลศีลเดินจริงโดยการที่มีเจตนาเป็นตัวขับเน้นมีเจตนาเป็นตัวเป็นประธานเป็นใหญ่เป็นการใหญ่ บางคราวเมื่อกุศลเกิดขึ้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องเป็นไปอย่างผ่องแผ่วเป็นไปอย่างดีงามแล้วเป็นไปอย่างด้วยความชานฉลาดแล้วเนี่ยนักเข้านักเข้าไม่ใช่เจตนาบางคราวนี่ความไม่โลภมาเป็นใหญ่ก็ได้ความไม่โลภมาเป็นใหญ่ก็ได้นะความไม่โลภเนี่ยพอเกิดความไม่โลภขึ้นมาปุ๊บก็เลยไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพูดผิดในการมไม่โลภก็เลยไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดเป็นต้นเหล่าเนี้ก็เลยความไม่โลภก็เป็นใหญ่ได้แม้ความไม่โกรธ โทสะคือเมตตาก็สามารถมาเป็นใหญ่ในแรงขับเคลื่อนในการที่จะเป็นปัจจัยต่อการที่รักษาศีลมีต้นด้วยบางครั้งก็ปัญญาเองไปฉลาดในเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องกรรมของกรรมก็มาเป็นใหญ่ได้เหมือนกันในการที่จะเกื้อหนุนให้ให้เกิดขึ้นได้เหมือนกันและในขณะเดียวกันเจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลก็เป็นตัวไปขับเน้นผลักดันทาให้วิรัตคือเวรตีเนี่ยสัมมาวาจาเกิดขึ้นในจริงเห็นไหมเวรัตเจตนาอากุศลเนี่ย คือเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเท็จเจตนาชั่วร้ายที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเท็จเจตนาชั่วร้ายที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวส่อเสียดเจตนาชั่วร้ายที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวคําหยาบเจตนาชั่วร้ายที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเพื่อเจ้อเจตนาเวลเจตนาอกุศลเหล่านี้มันตั้งขึ้นในใจของท่านพุทธาท่านพุทนั้นก็จะมีการกล่าวเท็จบ้างกล่าวคำหยาบบ้างกล่าวส่อเสียดบ้างกล่าวเพื่อเจ้อเป็นต้นบ้างแต่พอสัมมาวาจามันนั่งแท่นในใจ หรือมาเกิดขึ้นในกระแสชีวิตจิตใจของท่านบุญนั้นสัมมาวาจาก็มานั่งอยู่ในใจปุ๊บก็ตัดตอนเวราเจตนากุศลที่เป็นเหตแห่งการกล่าวเท็จไม่ให้เกิดขึ้นได้เห็นไหมจากเจตนาดีที่ตั้งไว้ก็ดีจากเวราเจตนากุศลเนี่ยที่จะมากระตุ้นเตือนเพื่อจะให้คนร่วงละเมิดเนี่ยพอเกิดแรงกระตุ้นจากกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายอาจจะยีเดอตปะก็ได้อาจจะศรัทธาเป็นต้นก็ได้ หรือกุ่มกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ตัวสัมมาวาจาเวรตีก็เข้ามานั่งแท่ในในใจแล้วก็กําจัดเวลาเจตนากุศลที่เป็นเหตุในการกล่าวเท็จได้ไม่ให้มามีอิทธิพลก็จะท่านผู้นั้นก็สามารถงดเว้นจากการกล่าวเท็จได้เลยเพราะมีกลุ่มกุศลนี้ผลักดันบาปออกจากใจได้หรือถ้ามีเจเวลเจตนากุศลที่เป็นเหตุในการกล่าวส่อเสียดกําลังจะกล่าวอยู่แล้วนี่แหละแต่เอาละเวรตีเจตสิกเนี่ย ก็มานั่งท่านในใจก็สามารถผลักดันขับเคลื่อนเจตนาชั่วร้ายที่เป็นเหตุแห่งการเก่าคนให้แตกกันเนี่ยออกไปจากใจได้หรือผลักดันเจตนาชั่วร้ายที่เป็นเหตุแห่งการเก่าวคําหยาดได้หรือผลักดันเจตนาชั่วร้ายที่เป็นเหตุแห่งการเก่าเพ้อเจ้อเป็นต้นได้กลุ่มกุศลทั้งหลายก็เดินคล่องเลยนะเข้านะเข้าว่าในกระแสชีวิตของท่านบเนี้ยศีลได้ทาหน้าที่เต็มที่แล้วเจตนาศีลเจตสิกศีลเนะี่ยมาหน้าที่เต็มที่แล้วเสมอเหมือนหนึ่งว่าใครอยเข้ามายุ่งนะ <laughs> บาปทั้งหลายอย่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะทำพฤติกรรมทางวาจาทั้งหลายนะแม้พฤติกรรมทางกายพูดทำํำฆ่าสัตว์รักษาควาพฤติฐกรรมก็อย่าเข้ามาเกี่ยวข้องในกระแสะชีวิตจิตใจของท่านบนนี้เราเจตนาศีลเจตสิกศีลคุ้มครองและดูแลและรักษาแล้วขับเน้นพรหมวิหารเป็นต้นให้มีให้เกิดขึ้นพอมองออกไหมย่าเป็นไปลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเจตนาศีลเจตสิกศีล เจสกสินก็มีความไม่โลภความไม่โกรธปัญญาแล้วก็มีสัมมาวาจาสมากรรมตะและสัมมาชีวะก็คือสัมมาชีวะการเลี้ยงชีพชอบทั้งหลายก็นี่เดี๋ยวก็ไปค่อยๆขยายอีกทีอันนี้กล่าวเพียงยอ่อๆต่อมาก็พูดถึงในเรื่องของสังวรศีสังวรก็มีสังวโร ส, สีรังเนี่ยสังวรชื่อว่าสีเนี่ยมีสังวร5 1ปาติโมกสังวรการสังวรในปาติโมก สังวรที่พบในเทศนาที่ว่าอิมินาปาติโมกขสังวเรนะอุเปโตโหติสมุเปโตเนี่ยภิกษุถึงพร้อมแล้วถึงพร้อมดีแล้วด้วยสังวรในปาติโมกนี้ก็คือเป็นศีลที่เป็นประธานศีลที่เป็นหลักก็คือปาติโมกสังวรลศีล น, นี่แหละมีศรัทธาเป็นประธานด้วยอัสติสังวรก็คือสังวรที่พบในเทศนาวารคติจากขุนทริยังจากขุนทริเยศีวรังอาปัจชติเนี่ย รักษาจากขุนซีถึงการสังวรในจากขุนซีเป็นต้น <c oughs> ปิดบาปทางทวารตาหูจมูกรินกายใจเป็นต้นอันนี้เป็นสติสังวรสัญญาณหนนะ้าสังวรคือสังวรที่พบในเทศนาที่บอกยานี้โสตานี่โลกัสมิงสติเตสังนิวรนังโสตานังสังวรังโพรมิปัญญาเยเต ป, ปิทินเยเรกระแสะกิเลสเหล่าใดมีอยู่ในโลกกระแสะกิเลสก็คือกระแสะของตัณหา คือกระแสของราคะเป็นต้นเหล่านี้ที่มันไหลาตามทวารตามหูจมกูกลิ้นกายใจนี่เนีกระแสเหล่านั้นสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นเห็นไหมสติสังวรเนี่ยเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นก็คือตัวสติเป็นตัวปิดไม่ให้บาปเหล่านั้นเกิดเรากล่าวการกั้นกระแสเหล่านั้นและกระแสเหล่านั้นถูกปิดกั้นถูกละได้ด้วยอะไรถูกละได้ด้วยปัญญาโดยเฉพาะปัญญาในมรรคนี่จะละได้ ปรการที่4ี่คือขันติสังวรก็คือสังวรที่พบในเทศนาคโมโหติสีตัสสะอุณหะะ น, นี้ก็คืออดทนต่อความหนาวอดทนต่อความร้อนโดยไม่ความโกรธความพวกพ่านเกิดขึ้นมองเห็นเหตุผลตามความเป็นจริงวิริยาสังวรก็คือสังวรที่พบในเทศนาว่าอุ ป, ปันนังกามวิตากังนาที่วาเสติไม่ยอมรับกามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วก็หมายความว่าไม่ให้กามวิตกพยาบาทวิตกเกิดขึ้นในใจปิดกั้นได้ แม้อาชีวะบริสุทธิ์ที่ความหมดจดแห่งการเลี้ยงชีพก็นับเข้าในวิทยาสังวรเนี่ยเป็นความเพียรที่บริสุทธิ์หมดจดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้กล่าวโดยย่อนีพูดถึงในเรื่องของศีลคืออะไรนะพูดถึงศีลคืออะไรชื่อว่าศีลโดยความหมายว่าอะไรอันนี้มาแยกศัพท์มี2ความหมายศีลเนี่ย มาจากคาว่าศีรนะศีรนะเนี่ยศีรนะคืออะไรก็คือการตั้งไว้ด้วยดีศีรนาศัพท์นี้แปลว่าตั้งไว้ด้วยดีหมายความว่าไงมีการตั้งกายกรรมตั้งวัจีกรรมไว้ดวยดีไม่ให้เกเรก็คือไม่ให้เกลื่อนกล่อนไม่ให้กระจัดกระจายโดยความเป็นผู้มีศีลงามนั่นแหละนี่ตั้งไว้ด้วยดีมีศีรนะหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าทรงไว้ ทรงไว้ให้มั่นก็หมายความว่าเป็นที่รองรับกุศลธรรมความเป็นที่อาศยัยบอกกุศลธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีศีลเป็นสภาพที่รองรับไว้เหมือนจะสร้างตึกต้องอาศยัยพื้นแผ่นดินพื้นที่เสาเข็มเป็นฐานรองรับตึกถึงจะขึ้นได้บรรดาสติปัฏฐานสมประทานทั้งหลายจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีตัวกุศลศีลเป็น สภาวะรองรับไว้เป็นที่รองรับเป็นที่อาศัยอย่างนี้เป็นต้นศีลก็เลยได้2ความหมายนีศีระนะเนี่ ย, ยก็มาจากตั้งไว้ด้วยดีตั้งไว้ด้วยดีในที่นี้ก็มาจากคาว่าศีรติสมาธิยติกายกรรมมาทีนังสุศีระวยเสนะวิปปกีรติติศีรังสภาวะตั้งกายกรรม มจีกรรมให้ตั้งไว้ด้วยดีไม่เกล่นกลนไม่กระจัดกระจายดเนี่ยด้วยความเป็นผู้มีศีลงามในชื่อศีล น, นี่ในความหมายนี้ส่วนอีกความหมายหนึ่งมาจากคาว่าสมาทานังเนี่ยนะสมาทานังก็คือว่าสภาวะที่ทรงไว้มั่นสภาวะที่ตั้งไว้ด้วยดีนี่แหละสีเลติกุสเรธรมเอุปัฏฐาเรติตินี่นะปฏิฐาภาเวนะผู้โสทาเรติติสีหลังนี่แหละสภาวะ ไดทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมไว้ยิ่งด้วยความเป็นที่อาศัยจึงชื่อว่าศีลอะไรเนี้ยมี2ความหมายนี่แหละหมายความว่าอะไร1ตั้งไว้ด้วยดี2ก็คือว่าทรงไว้นีสภาพที่ทรงมั่นทรงไว้มั่นตั้งไว้ดวยดีก็คือทํากายกรรมวิจีกรรมเนี่ยทำอาชีพให้ตั้งไ ว, ดว้ดีดีไม่เกลื่อนกลนไม่กระจัดกระจาย แล้วก็ประการที่2ก็ทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายให้กุศลธรรมทั้งหลายเจริญไปบูญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เป็นที่อาศัยกุศลธรรมทั้งหลายเจริญไปบูญยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นต้นเนี่ยก็เรียกว่ามั่นนะตั้งไว้มั่นคงนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ประการต่อมาก็พูดถึงในเรื่องของถ้ามองถึงในลักษณะของคําว่าสมาทานเนี่ย ศีลที่สมาทานการตั้งใจสมาทานรักษาศีลความผ่องใสแห่งจิตศีลที่เกิดขึ้นในขณะที่มีจิตผ่องใสในการฟังธรรมเป็นต้นเหล่านี้เป็นต้นศีลที่เกิดขึ้นในขณะที่ศีลก็เลยเป็นฐานรองรับกุศลธรรม ท, ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเป็นไปตามลำดับนั่นเลยอภิการต่อไปก็คือว่าลักษณะของศีลเป็นต้นนะลักษณะของศีลแต่รายละเอียดตรงนั้นมีเยอะ ลักษณะศีลศีลมีลักษณะอย่างไรมีหน้าที่เป็นอย่างไรอาการปรากฏเป็นอย่างไรเหตุใกล้ของศีลคืออะไรออถ้ามองนี้ก็จะเห็นบอกว่าลักษณะรักษาปัจจุบันและประทัดฐานของศีลนะอันนี้ก็คือให้ได้เข้าเข้าใจกันในความหมายตรงนี้ ศีลเนี่ยต่างกันโดยหลายประเภทนะแต่มีลักษณะคือการตั้งไว้ด้วยดีคือการทรงไว้มันนี่แหละเป็นลักษณะเหมือนรูปที่ต่างกันโดยประเภทนีมีลักษณะแต่ภาวะที่ถูกเห็นได้เนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นนั้นศีลเนี่ยก็เลยมีการตั้งไว้ด้วยดีแล้วก็มีสภาวะที่ทรงไว้นี่เป็นลักษณะตั้งกายกรรมวจีกรรมไว้ด้วยดีนี่นะลักษณะศีลเป็นอย่างนี้และอาชีพไว้ด้วยดีไม่ให้เกินก้นไม่จะะกรให้กระจาย และศีลก็มีลักษณะในการทรงไว้ก็คือเป็นฐานรองรับคุณศรธรรมเบื้องสูงสมาธิและปัญญาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยต้องอาศัยศีลนี่แหละเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นฐานรองรับนี่ศีลมีลักษณะดังที่ได้กล่าวเลยนี้ทีนี้กิจของศีลคืออะไรหน้าที่ของศีลก็คือกระจัดความทุศีลหรือคุณคือการหาโทษไม่ได้ชื่อวาราษฎร์โดยก็หมายว่าหน้าที่และความสมบูรณ์ของศีลเนี่ยมีหน้าที่อย่างนี้ ก็คือกำจัดความทุศีลเป็นกิจเป็นหน้าที่เนเป็นไปลักษณะอย่างนี้แหละลักษณะเนี่ยมันเหมือน ก, ร, กรณีที่บอกว่าลักษณะเฉพาะตัวของศีลหน้าที่ก็คือความสมบูรณ์ก็หมายหน้าที่ที่เกิดขึ้นเวลาศีลเกิดขึ้นเ้าทำกิจเ้าทำหน้าที่อะไรปัจจุปท า, าเนี่ยคืออาการปรากฏก็ถึงพร้อมเห่งผลก็คือสิ่งที่ถูกทาให้เกิดขึ้น ถามว่าศีลเนี่ยมีอาการมีมีอาการปรากฏเป็นยังไงก็คือผลน่ยผลปรากฏเกิดขึ้นก็คือมีความสะอาดศีลนี้มีความสะอาดเป็นอาการปรากฏนะวินยูชนเนี่ยเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยก็จะเห็นทันทีว่าอ๋อกายสะอาดวาจาสะอาดอาชีพที่สะอาดนี่เกิดขึ้นอันนี้เป็นลักษณะของผลปรากฏของศีลโสเจย่นี่แหละ กายโสเจยวจีโสเจยะมโนเสเจยะด้วยความสะอาดทางกายความสะอาดวาจาและก็ท้งจิตใจก็เป็นสภาพที่สะอาดเป็นต้นด้วยนีมีความสะอาดนี่แหละเกิดขึ้นนะกระทบไปถึงทางใจด้วยนะและอะไรเป็นเหตุใกล้ของศีลความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปที่เป็นประทัด ฐ, ฐานเป็นเหตุใกล้ของศีลนั้นนั้นพอเรามีหิริอัตตาปะความละอายชั่วกลัวบาปขึ้นมาศีลก็เกิดขึ้นดำรงอยู่เมื่อไม่มีศีลก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ เนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็ให้ทำความเข้าใจโอ้ศีนมีลักษณะรักษณะปัจจุบนันประทัดฐานเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ส่วนประการต่อมาก็พูดโดยย่อก่อนว่าศีนมีอานิสงส์อย่างไรพุทธเจ้าก็บอกข้านาบดีทั้งหลายอานิส ง, งส์ของศีนะสมบัติพูดถึงพร้อมด้วยศีลมีอยู่หประการนะหประการก็คือหนึผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้ย่อมได้รับโภคาสมบัติอันยิ่งใหญ่อันโอฬารเพราะความไม่ประมาทที่เป็นเหตุเห็น ไ, ไหม คนมีศีลก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาททากิจการใดๆไม่ว่าจะค้าขายหรือทากิจกรรมต่างๆก็จะเป็นผู้มีโภกกระซับเนบริบูรณ์เห็นไหมนั้นคนมีคนประมาทเนี่ยเขาเรียกคนไม่มีศีลแต่คนมีศีลเนี่ยสติมีกําลังเป็นคนทํากิจกรรมใดๆก็ทําด้วยความไม่ประมาททาด้วยความดีงามเห็นไหมจากความที่ไม่ประมาทนี่แหละมีสติกํากับอยู่กับตัวทํากิจกรรมใดๆก็ทําด้วยความรอบคอบเพราะมีสติกํากับพิจารณา สติดึงข้อมูลมาให้ปัญญาตรวจสอบคนมีศีลจะเป็นอย่างนี้นะจะทํากิจกรรมใดๆก็เอาดึงข้อมูลนั้นมาให้ปัญญาฟันปัญญาตรวจสอบปัญญาวิจัยแยกแยะพิจารณาผลดีผลเสียผลได้ผลเสี ย, ส ย, สยทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นจุดเด่นจุดด้อยเป็นยังไงทําอย่างนี้ประกอบสิ่งที่ดีมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มีคุณหรือมีโทษทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเมื่อทําเหล่านี้เบื้องต้นควรกํากับ ang, ก ang, ยังไงทํากลางยังไงที่สุดยังไงเนจะละเอียดรอบคอบมาก กเลยกลายเป็นผู้ได้พผล่ขอันนี้สองของศีลก็มีโผกระซั์นี่แหละเพราะความไม่ประมาทเป็นเหตุและอย่างหนึ่งอันที่สอของศีลเกียติศัพท์เกียรติยศอันดีงามของผู้มีศีลบริบูรณ์ก็ฟุ้งขจรไปนั้นคนทําความดีทั้งหลายทํากิจกรรมดีๆทั้งหลายเนี่ยใครก็ปิดกันด <c oughs> ดก้นไม่ได้ปิดกั้นไม่ได้ประการต่อมา <c oughs> ผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลเข้าไปสู่สังคมใดๆจะเป็นสังคมกษัตริย์สังคมพราะมณะสังคมข้าราชาดีสังคมส ม, มณะก็เข้าไปอย่างอาถรรพ์ไม่เก้อเขินถามว่าคนเขาดีไม่เคยทําผิดเลยเข้าไปในสังคมไหนสมาคมไหนเป็นพวกแก้วกล้าไหมแก้วกล้าอาถรรพ์มากเพราะไม่เคยมีพฤติกรรมที่เสียหายใดๆเลยโอ้เป็นคนที่มีความภูมิใจตนเองสูงมาก กายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดมีความบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเป็นอัธยาศัยอย่างนี้ตลอดเนี่ยฉะนั้นจึงเป็นคนเข้าไปในสมาคมใดๆก็ไม่เก้อขินที่สำคัญมากนะฝึกกุศลศีลให้มา ก, มา ก, มา ก, มากๆมกๆแล้วจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงหลายคนที่บอกเออทำไมเราไม่ค่อยมั่นใจตัวเองไม่เชื่อมั่นตัวเองเนี่ยเพราะขาดศีล ถามว่าพวกบริษัททั้งหลายเนี่ยท่านปราถนาเป็นพระเจ้าเนี่ยท่านมีศีลนั่นเองเป็นตัวกำกับเป็นตัวพื้นท่านจึงมีความมั่นใจตัวเองว่าท่านประสบความสมําเร็จได้แน่นอนท่านไม่ตกต่าแน่นอนนั้นคนที่มั่นคงในกุศลศีลกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้เวลาจะทำกิจกรรมใดๆเนี่ยจะมั่นใจตัวเองสูงหรือไม่สูงสูงมากเราขาดความมั่นใจตัวเองเพราะเราไม่มีสุจริตเป็นฐานรองรับถ้ามีสุจริตเป็นฐานรองรับทีคิดอะไรก็สมปราถนาหวังอะไรก็ประสบความสาเร็จใช่ไหม เราเริ่มรักษาศีลให้เป็นเนื้อเป็นตัวจนเกิดความมั่นใจตัวเองได้หรือยังถ้ามั่นใจตัวเองได้เมื่อไหร่อันนั้นแปลว่าอะไรโอ้โหจะมีความมั่นใจตัวเองสูงและประสบความสําเร็จได้ไม่ยากผู้ทรงศีลบริบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไม่หลงทํากาละตอนตายก็มั่นใจแน่นอนจะไม่หลงตายหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขฝันร้ายเทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของมนุษย์ไปสตรายาพิษโรคร้ายไม่เบียดเบียน วากันเถอเพรมีศีลจะเป็นอย่างนี้ศีหน้าผ่องใสสมาธิตั้งมั่นเร็วไม่เป็นเอาลไซเมรืรอไม่หลงตายอย่างแน่นอนตายแล้วไปสุกติจะไปกลัวอะไรไปตายแล้วมันได้ดีกว่าเดิมไหมคนมีศีลเนี่ยตายแล้วยิ่งใหญ่กว่าเดิมไหมบริบูรณ์กว่าเดิมไหมไปอย่างคนภาคภูมิใจมีคนต้อนรับเต็มไปหมด <c oughs> <c oughs> แต่ไปอย่างคนทุศีลอย่างเข้าไปในคุกนวันแรกเนี่ยเขาต้อนรับดีไหมโอ้โหย ไม่ได้เรื่องเลยเพราะไม่มีศีลเนี่ยผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ศีลที่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หลังอยากตายไปแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละศีลมีอ น, นิสงส์มากมายนะแต่ในที่นี้กล่าวไว้น้อยไปดูในอากังขยสูตรเนี่ยโอ้โหผู้มีศูนศีลเนี่ยมุ่งหวังขอให้เราเป็นเป็นที่รักเป็นที่เคารพเพื่อนพเมจาดีทั้งหลายก็ควรรวมเป็นศีลในบริบูรณ์เป็นต้นนั้นก็ไปดูในคําสอนอีกที <c oughs> ตรงนี้ท่านบอกว่าที่พึ่งของกุลบุตรทั้งหลายในพระศาสนานอกจากศีลไม่มีใครเราจะพารนากําหนดอเนส์ของศีลนั้นได้น้ําคือศีลย่อมชําระล้างมวลทินของสัตว์ทั้งหลายได้แม่น้ําคงคาเออยมุนาสระพูสระ พ, สรพูสวั ส, สวดีอจิราวดีแม่น้ําใหญ่บะฮีหรือจะสามารถล้างมวลทินของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ได้ไม่สามารถแม่น้ําไม่สามารถจะล้างมวลทิน คือบาปของสัตว์ได้แต่ศีลเนี่ยสามารถที่จะล้างบนทินของสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นได้ศีลที่รักษาดีแล้วหมดจดเย็นสนิทเนี่ยย่อมระ ง, งับความเร่าร้อนคือระ ง, งับราคาความกำหนัดได้ระ ง, งับโทสะคือความกโกรธได้ระ ง, งับโมหะความหลงของสัตว์ทั้งหลายได้ลมปนผนก็ดีจันท์เหลืองก็ดีแก้วมุกดาก็ดีแก้วมณีก็ดีจันท์อ่อนก็ดีไม่อาจระงับให้สงบได้แต่ศีลเนี่ยสงบระ ง, งับได้ กลิ่นใดฟุ้งไปได้ทวนลมและตามลมเสมอกันกลิ่นนั้นที่จะเทียบเทียมกระสีไม่มีไม่มีศีเน่ยฟุ้งไปทวนลมด้วยบันไดเป็นบันไดไต่ขึ้นสู่สวรรค์เลยนะ <c oughs> แล้วก็เป็นประตูเข้าสู่พระนิพพานได้ด้วยไม่มีบันไดใดที่จะดีเท่ากระสีนี่แหละพระราชาผู้ทรงประดับทัดทรงแล้วด้วยแก้วมุกดาและแก้วมณีก็ไม่สง่างามเหมือนภิกษุผู้ประดับด้วยเครื่องประดับคือสี จากนั้นถ้เรามีตัวกุศรลรศีนะโอ้ยงดงามมากศีลของผู้มีศ <c oughs> ีลเนี่ยกำจัดภัยมีการตําหนิตนเองเป็นต้นเรามีศีลก็จะไม่สามารถตําหนิตนเองได้โดยสิ้นเชิงและบรรดาที้เกิดเกียรติศักดิ์และความหรรษาในการทุกเมื่อเนี่ยลักษณะอย่างนี้เป็นการแสดงเหตุในเรื่องของอานิส ง, งส์ของศีลดอยนะแต่ต่อไปก็ไปขึ้นถึงประเภท พอพูดถึงในเรื่องของประเภทของศีลท่านก็จะกล่าวในเรื่องของศีลหนึ่งอันนี้จะกล่าวโดยย่อๆเขาไว้ศีลหนึ่งศีลหมวดหนึ่งก็พูดถึงในเรื่องของโดยลักษณะคือศีรษะศีรษะก็มี2อย่างที่ตั้งไว้ด้วยดีหรือการทรงไว้มั่นหรือสมาทานังมีอุปัฏฐารนังและสมาทานังศีลสอย่างก็มีจารีศีลศีลที่มีเป็นข้อประพฤติกับวารีตศีลศีลที่เป็นข้อห้าม จารีตนี่เปว่าข้อประพฤตินะสิ่ที่เป็นข้อประพฤติวารีตก็เป็นข้อที่หมวด2 อ, อีกอย่างเขาเรียกอาภิสมาจาริกศีลศีลที่ประกอบในข้อประพฤติอันยิ่งศีลที่มีประโยชน์ก็คือข้อปฏิบัติข้อประพฤติที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเขาเรียกอาภิาสมาจาริกะส่วนอาทิพรหมจาริกาสิ่ก็คือสีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจันทร์ก็คือมีปฏิบัติบกสังวลศีลเป็นต้น ถ้าศีลหมวด3ามเาเรียกว่าวิรติศีลศีลที่งดเว้นก็คือวิรติอวิรติศีลศีลที่ไม่งดเว้นศีลหมวด4ก็มีนิสกีศีลศีลที่อาศัยอนิสิตาศีลก็คือศีลที่ไม่อาศัยหมวด5ก็มีการรปริยนตะศีลศีลที่มีการเป็นขอบเขตอาณาอาปาณโกติกศีลศีลที่ประพฤติตลอดชีพเดี๋ยวจะไปขยายอีกทีนะ สตรปริยาันตากศีลศีลที่มีที่สุดกับอภริยันตักศีลศีลที่ไม่มีที่สุดโลกีศีลศีลฝ่ายโลกกียะกับโลกุตรศีลศีลที่เป็นฝ่ายโลกุตระต่อไปก็พูดถึงศีลในพูดถึงในเรื่องของอัตตาทิปไตเอหินศีลศีลอย่างสามมชิมศีลศีลอย่างปันกลางปันิี่ตศีลศีลอย่างปันนีด ศีลหมวดอีกหมวดหนึ่งก็คืออัตราอัตราธิปไตยศีลศีลที่มีตนเป็นใหญ่โลกาธิปัตยศีลศีลที่มีโลกเป็นใหญ่ธรรมาธิปัตยศีลศีลที่มีธรรมะเป็นใหญ่อีกอย่างหนึ่งปรามัตถศีลศีลที่ถูกตั้นหาและทิฐิครอบงําอปรามัตถศีลศีลที่ไม่ถูกตั้หาและทิฐิครอบงําปฏิปัสสธิศีลศีลที่ระงับกิเลสแล้วก็อีกหมวดหนึ่งก็คือวิสุทธิศีลศีลที่หมดจด อวิสุทธิศินสินที่ไม่หมดจดเวมติกาสินสลนที่มีความเครือบแคลงอีกหมวดหนึ่งเสกศีลสินของพระเสกขาอเสกสินสินของพระเสขะเนวเสขานาเสขาสินสินที่ไม่ใช่ของพระเสขาและอเสขาก็คือสินของบุตุชนอีกหมวดหนึ่งหานาพาคิยศีลนีลนที่มีในฝ่ายเสื่อมทิตติภาคิยศีลนสินที่มีในฝ่ายตั้งอยู่ไม่เสื่อมเนตั้งมั่น วิเศษศาสพิยศีลศีลที่มีในฝ่ายที่พิเศษคือเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปประการต่อมาภิกุลศีลศีลของภิกุลพิกุลนีศีลศีลของพิกุณีอนุปสัมปนาศีลศีลของสมบันกันทุกสสมบันนะกหัสศีลศีลของฤหัสปกติศีลศีลโดยปกติอาจาราศีลศีลโดยความประพฤติธรรมตาศีลศีลโดยธรรมชาติปุพะเหตุกศีลศีลที่มีเหตุในชาติก่อน แล้วก็ศีลหมวดสกับปาฏิโมกขสังวรศีลศีลที่สํารวมในพระปาฏิโมกขอินเรียสังวรศีลศีลการสํารวมในอินทรีย์อาชีวปริสุทธิศีลก็ศีลที่หมดจดในการเลี้ยงชีพปัจจะยสันนิสิตาศีลศีลที่อาศัยปัจจัยลเอาละเศษเนี้ยในหมวดศีลต่างๆเหล่านี้นี่ต่อไปจะขยายนะปริยานตาปริสุทธิศีลปริสุทธิศีลอันบริสุทธิ์เป็นต้นเน่ย ปริสุทธิศีลอันบริสุทธิ์อัประอปาริยันตะปริสุทธิศีลศีลที่ไม่ไม่มีที่สุดปริปุณนะปริสุทธิศีลปริบริสุทธิ์ศีลอันบริบูรณ์นะอัปรามัทธะปริสุทธิ์ทศีลปริสุทธิ์ที่ศีลที่ไม่ถูกตั้นหาและทิฐิครอบงําปฏิปสัตทีปริสุทธิ์ทศีลบริสุทธิ์ที่ศีลที่ระงับกิเลสได้ปหานศีลศีลคือการขจัดคือการละ เวรมณีศีล์สีน์การงดเว้นเจตนาศีล์สีลคือความจงใจคือเจตนาสังวรศีน์สีนคือกปิดกั้นกิเลสอวิติกรมศีน์สีนคือการไม่ร่วงละเมิดเดี๋ยวเราจะขยายตรงนี้แหละต่อไปก็คือศีลหมวดที่หนึ่งะจารีตสีลแล้วก็วาริตศีน์ธรรมจารีตสีนเนี่ยการประพฤติกข้าบทเนี่ยคือการประพฤติสิกข้าบทตามที่พุทธเจ้าทรงบัญญัตินะ ข้อปฏิบัติที่ควรกระทําทั้งหลายใ น, นจาริตะเป็นสิ่งที่ควรกระทําเป็นข้อที่ควรปฏิบัติวาริตศีลเนี่ยอันนี้เป็นข้อห้ามวาริตะเป็นข้อห้ามตรงนี้ก็หมายความว่าการไม่ฝ่าผืนสิกขาบทที่สองห้ามอันนี้เป็นศีนในปฏิโมกข์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นจาริตะก็คือศีลเป็นที่ประพฤติของภิกษุและดําเนินไปอย่างต่อเนื่องในการบําเพ็ญให้บริบูรณ บำเพ็ญวัดปฏิบัติทั้งหลายบริบูรณ์นี่แหละวาริตตาก็คือศีลที่ทําให้รักษาข้อห้ามไม่ร่วงละเมิดที่ทรงบัญญัติไว้ข้อความว่าด้วยการบําเพ็ญวัดให้บริบูรณ์หมายถึงภิกษุเนี่ยเพียงบําเพ็ญวาริตตศีล ถ, ถือศีลยังไม่บริบูรณ์นะแต่จําต้องประพฤติจรีตนี่แหละอีกด้วยศีลจึงจะบริบูรณ์ก็หมายความว่าวาริตคือข้อห้ามจักบริบูรณ์ไม่ได้ถ้าไม่ประพฤติจรีตฝึกในการที่ ปัดกวาเช็ดถูทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ที่เป็นข้อวัดต่างปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวเพิ่มเป็นตัวเสริมในส่วนจริงจะเป็นช่วยกระตุ้นทำให้จารีตวาติตานั้นบริบูรณ์ภิกษุผู้ต้องบําเพ็ญศีลให้บริบูรณ์จึงจําต้องประพฤติจารีตศีลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประพฤติอย่างสม่ําเสมอเมื่อประพฤติจารีตอย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วงแล้วเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนแก่การที่จะทําวาริตาเนี่ยให้เจริญให้บริบูรณ์ได้ ทีนี้จาริตรศีนเนี่ยจะสําเร็จได้ด้วยอะไรต้องมีความเชื่อมั่นและสําเร็จได้ด้วยความเพียรเห็นไหมฉะนั้นทำให้สองตัวนี้เป็นตัวที่จะทำให้จาริตรศีนบริบูรณ์นี ย, ยกตัวอย่างเช่นจากการจะบินธบาตเนี่ยต้องมีศรัทธาไหมต้องมีความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตานาตรัยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเสด็จบินธบาติเป็นต้นเหล่านี้ต้องมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาและต้องมีความเพียรไหมไหมต้องศรัทธาและความกล้าความอาถารพตัวนี้ก็จะทําข้อวัด ปฏิบัติ่นเองให้เต็มให้บริบูรณ์ในการปัดกวาดเช็ดถูทํากิจกรรมต่างๆทําวัดในเวชจกุดีวัดในการเข้าห้องน้ําในเสนาสนะวัดวัดในการดูแลเสนาสนะวัดในเรือนไฟก็ดีวัดในการปฏิบัติต่อครูอาจารย์ครูอาจารย์ปฏิบัติต่อสิทธิเป็นต้นเหล่านี้ก็ดีเนี่ยข้อปฏิบัติต่างๆตรงนี้ต้องมีศรัทธาในพระรัตนตรยัยและต้องมีความก ล, ล้า้ามีความเพียรเป็นตัวขับเคลื่อน ถึงจะบำเพ็ญทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆนี้ให้เต็มให้บริบูรณ์ให้แข็งแรงเป็นต้นได้จากนั้นที่เราทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ให้ฝึกอย่างนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วมันจะเป็นเนื้อเป็นตัวได้อย่างแท้จริงส่วนวาเรตสีนี่สำเร็จด้วยศรัทธานะข้อห้ามทั้งหลายเหล่านี้ก็มีความเชื่อเชื่อในพระสัพัยุตยานเชื่อในอนาวรณญาณเชื่อในพระธรรมเชื่อในพระเริยสง์เชื่อในพระรัตนตรัยว่าจะสามารถ เมื่อพระเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วก็ไม่มีจิตคิดร่วงละเมิดเลยสิกขาบทนั้นนนั้นเลยพระเจ้าห้ามแม่ให้ข้าสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ในการปาราชิก4 ส, สังคาติเศส13อนนยศ2นิสกิยปยิเตี30เป็นต้นเหล่านี้ก็ประพฤติปฏิบัติด้วยความเชื่อมัน่นในพระสัพพัญญตาญานของพระในพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าทรงกรุณาในเราจึงบัญญัติสิกขาบทเหล่านี้เป็นข้อฝึก วันนี้ก็ตั้งใจฝึกอย่างเต็มที่เลยมีความเชื่อมั่นอย่างนี้เป็นตน้นนั้นจึงสําเร็จด้วยศรัทธานี่นะนี่เป็นไปอย่างนี้ความเชื่อมั่นนี่แหละการประพฤติศีลที่มีประโยชน์และความเพียรที่ประพฤติโดยการไม่เกียดค้าน ร, รวมทั้งสองอย่างนี้แหละเขาเรียกศรัทธาและวิริยะจะทําให้ภิกษุหรือบริษัทพุทธบริษัทเหล่านั้นน่ะประพฤติจารีตศีลได้อย่างบริบูรณ์และความเชื่อมั่นว่าการไม่ประพฤติศีลนะมีโทษ การประพฤติศีลมีประโยชน์ต้องมีกําลังความเชื่อมั่นนะจึงจะสามารถทําให้พุทธบริษัทมีภิกษุเป็นต้นประพฤติวาริตศีลคือข้อห้ามนั้นให้ผลดีและบริบูรณ์จากนั้นก็ต้องจําเข้าไว้ว่าจาริตศีลสําเร็จด้วยศรัทธาและวิริยะส่วนวาริตศีลก็สําเร็จด้วยศรัทธาคือความเชื่อมั่น